ก็ปฏิบัติห้าประการที่เรียกว่าพ้นจากภายเวนห้าประการคือการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในกรรมการไม่พูดโกหกการไม่ดื่มสุรายาเมาก็ให้ตั้งเจตนารักษาห้าข้อนี้ไว้ให้ดี คราบบรรการพระคุณเจ้าทรงแสดงประกาธรรมเรื่องพุทธวจนะแก่นแท้ของพระศาสนาณนาบัดนี้ขอกราบนัำสการพระคุณเจ้าครับผมใช่วันนี้ก็จะให้มีโอกาสให้พวกเราได้ทราบาสิ่งที่อาจจะหลงลืมกันไปนานนะ สิ่งที่เราคิดว่ า, าเป็นเนื้อแท้ในคำสอนนะที่รู้กันมาแต่อาจจะไม่ใช่นะวันนี้จะมาให้ความรู้ว่าอะไรเป็นเนื้อแท้ในคำสอนของพระสัสดาที่ถูกต้องนะแลนะถ้ามีเวลาเราจะได้ปฏิบัตินั่งสมาธิกันสักพักหนึ่งนะ ศา ส, สนาพุทธเราเนี่ยสืบทอดกันมานานแล้วนะสองพันกว่าปีไม่มีใครคิดเรื่องนี้ขึ้นเองเนะข้อมูลต่างๆถูกทรงจำกันมาตั้งแต่ครั้งพระสัสดาเนี่ยได้ตรัสรู้ธรรมะ ถ้คยคำที่ออกจากปากของพระองค์เนี่ยทุกคนจะช่วยกันทรงจำหมดแล้วก็ถ่ายทอดสืบทอดกันต่อๆมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตกทอดมาถึงทุกวันนี้สองพันกว่าปีเนี่ยมีการคาดเคลื่อนไปกันมากพอสมควรแต่ณวันนี้เราเรามีวิธีที่จะตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ภายในเวลาวินาทีเดียวนะข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบเราใช้ข้อมูลจากบาลีเซียมลัดนะข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกตอนนี้นะซึ่งรัชกาลที่ห้าเนี่ยจัดพิมพ์เป็นครั้งแรกในโลกนะด้วยเทคโนโลยียุคนั้นมีการพิมพ์หนังสือเข้ามาเป็นครั้งแรกในโลก รห้าก็ไม่ได้คิดเองเอามาจากรชาชการที่หนึ่งรหนึ่งเก็บไว้ในใบลานที่หอมมณฑีธรรมที่วัดพระแก้วนะรหนึ่งก็ไม่ได้คิดเองเอามาจากยุคทวาราวดีทวาราวดีก็ได้ตกทอดมาจากยุคพระเจ้าโศกมหาราชที่ส่งสมณทูตไปก้าวสายกระจายไปทั่วโลก เพื่อกระจายคำสอนของพระศาสดาพระเจ้ า, าโศกก็ไม่ได้คิดเองเอามาจากการทรงจาที่พระหลานทั้งหลายได้ทรงจากันมาหลังพูะเจ้าปรินิพานดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ยังมีอยู่ตั้งแต่ในเสาหินโศกซึ่งถ้าพวกเราไปอินเดียเราจะได้เห็นประวัติศาสตร์เหล่านี้นี่เรียกว่าอักษรพรามีภาษาประจฤตนี่ ถ่ายรูปเสาหินอโศกมาใกล้ๆเราจะเห็นอักษรที่สลักลงในเสาหินและณวันนี้เราใช้บาลีสามลัฐตัวนี้เป็นหลักฐานรัชกาลที่9เราเก็บไว้ในซีดีแผ่นนีน้ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในนี้ภาษาบาลี45เล่มภาษาไทย45เล่มมหามงกุฎ ราชวิทยาลัยก็เอาบาลีสามลัตตัวนี้แหละนะมาแปลครั้งหนึ่งนะบาของมหามมกุฎเนี่ยใช้จากตัวนี้นะก็พิจากตัวนี้มาแปลครั้งหนึ่งเป็นเก้าสิบเอ็ดเล่มนะมหาจุลานะก็อีกสำนักใหญ่หนึ่งก็แปลเองอีกครั้งหนึ่งก็ใช้จากบาลีสามลัต เพราะนั้นทุกคนใช้จากบาลีสามรัฐตัวนี้ตัวเดียวเป็นหลักฐานที่เก่าที่สุดนะณวันนี้เราสามารถบรรจุข้อมูลลงในแผ่นซีดีแผ่นนี้ทั้งหมดนั้นแผ่นซีดีแผ่นนี้วันนี้จะแจกให้กับพวกเราด้วยมีบาลีสามลัฐภาษาบาลี45เล่มภาษาไทย45เล่มมหามงกุฎ91เล่มมหจุลา45เล่มอยู่ในนี้ทั้งหมด แล้วก็หนังสือที่เราทำทั้งหมดอยู่ในนี้และมีโปรแกรมที่จะสแกนตรวจสอบเวลาโยมจะหาว่าผู้เจ้าสอนอาณาปานสติจริงหรือเปล่าพระที่สอนกันอยู่ทุกวันนี้สอนมั่วหรือเปล่าโยมจะหายังไงแต่ก่อนต้องไปนั่งเปิดอย่างนี้เก้าสิบเอ็ดเล่มอย่างนี้นั่งดูว่ามีคำว่าอาณาปานสติที่ผู้เจ้าตัดไปไหมอย่างนี้แต่ณวันนี้เรา สามารถสแกนได้วินาทีเดียวเรามีามีโยมอยู่คนหนึ่งมาบวชที่วัดจบเอกด้านการเขียนโปรแกรมได้เขียนโปรแกรมตัวนี้ให้เพื่อเอาไปจับในข้อมูลต่างๆได้ทุกที่นะก็สามารถทำให้เราตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้นและชัดเจนถูกต้องซึ่งไม่เคยมีการทำมาก่อนใน ในโลกก็ว่าได้นะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะนี่เย็นนี้ก็จะไปสัมภาษณ์เดนิลด้วย อ, อาจอีกไม่กี่วันอาจจะได้ออกนะเราจะได้ทราบข้อมูลว่าเราสามารถทำได้เป็นครั้งแรกในโลกแล้วก็ทําลงไปในมือถือของทุกคนได้นะเ่เราสามารถทำเข้าไปในตอนนี้เขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเมื่อไม่กี่วันเนี่ย ใครที่ใช้มือถือที่เป็นระบบปฏิบัติการของ a อ d ดร i d นะก็จะสามารถลงโปรแกรมตรงนี้ได้และอีกสามเดือนจะเสร็จใน i อโฟนนะทุกระบบปฏิบัติการจะใช้ได้หมดนะลักษณะนี้เป็น เ, เห็นไหมอืมนะหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นะตัวด้านลิมเนี่ยจะเป็นอ e ี a ตบิตกะนะ อ่าตัวนี้พอเรานิ้วแตะไปก็จะขึ้นมาจะเอาพระไตรปิฎกอันไหนวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกหรืออภิธรรมปิฎกนะอ่าอย่างสมมุติสุตตันตปิฎกนะอ่าเราต้องการเล่มไหนเล่มที่เท่าไหร่มี25เล่มก็เลือกไปนะต้องการอ่านเล่มที่11ใช่ไหมก็กดอ่านตัวนี้กดอ่านปับ๊บข้อมูลก็จะขึ้นมานะ ต้องการภาษาบาลีหรือภาษาไทยกดที่เมนูเลือกได้ไปภาษาไทยก็ได้ไปภาษาบาลีก็ได้นะนี่ไปภาษาไทยละต้องการตรวจคําว่าอะไรกดตรงแว่นขยายนี่นะคีย์คําที่สงสัยเข้าไปได้เช่นคีย์คาว่าอาณาปาเนะเราจะคีย์คาว่าอาณาปานสติเข้าไปนะพอคีย์คาว่าอาณาปานสติกดค้นหา ปั๊บมันก็กําลัง ส, สแกนให้ละนะต่อไประบบนี้จะมีในมือถือทุกคนนะสแกนปับ๊บพัสูตรก็จะออกมาทั้งหมดวินัยปิดกสองพสูตรสุดตันตปิดกสี่สิห้าพสูตรอภิธรรมปีด ก, ดกหนึ่งพสูตรนะต้องการดูตรงไหนนะเราก็จิ้มไปนะสุดตันตปิดกขึ้นมารายละเอียดเป็นยังไงดูซิว่ามีคําว่าอานาปามะอ่าสีเหลืองที่ป้ายไว้นะ อาณาปานสติแสดงว่าพระตถาคตจัดไว้จริงนะเพราะอยู่ในวลีคําพูดว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายนี่นั้นตอนนี้เท่ากับเราพกพระพุทธเจ้าอยู่กับตัวตลอดน ะ, ะตรวจสอบได้พระสอนมั่วเราสแกนเลยปับ๊บบอกท่านอาจารย์สอนผิดนะคะนีอะ่อาจารย์สอนผิดนะคะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เช่นว่าถ้าภิกษุรับเงินทอง เราก็บอกว่าอ๋อผู้เจ้าสั่งว่าอันหนึง่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้กรดีเป็นนิสสกิยปาจิตติพระต้องอบัตปาจิตติถ้ารับเงินทองเห็นนะพระวัดหนึ่งยอมไปใส่บาตรให้พรวัดหนึ่งไม่ให้พรตกลงแล้วของใครถูกทราบไหมเราจะวัดยังไงเราก็ไปดูว่า อนุโมทนาวัตรเนี่ยผู้เจ้าตัดไว้ในที่ไหนนะผู้เจ้าบอกเรากล่าวการอนุโมทนาในที่ฉันไม่ได้ให้ทำเวลาบินธบาตอ่าแสดงว่าพระที่บินธบาตให้พรคุณต้องเปลี่ยนนะมาอ้างว่าอาจารย์ตัวเองสอนมาอย่างนี้ไม่ได้นะเราไม่เคยทำนุบบำรุงศาสนาพุทธอย่างถูกวิธีมานานแล้วเราปล่อยปะ่าละเลย ชนชั้นผู้ปกครองของประเทศปล่อยปละละเลยในด้านพุทธศาสนามานานมากจริงๆรัชะกาลที่5เห็นความสําคัญตรงนี้ยังได้เขียนรายละเอียดไว้หมดว่าความสําคัญเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ที่คําพระศาสดาทําไมรัชะกาลที่5จึงต้องมาแปลคําพระศาสดาจากอักษรขอมมาเป็นอักษรไทยและพิมพ์ลงในหนังสือและแจกไปทั่วโลกและแจกไปที่วัดวาอารามทั่วประเทศ เพราะเห็นความสำคัญว่าคำศาสดาถูกต้องที่สุดและพระยุคนั้นกำลังเสื่อมไปเรื่อยๆมาถึงยุคทุกวันนี้เหมือนกันเราก็คิดว่ า, าที่พระสอนคือถูกทั้งหมดแต่มันไม่ใช่โยมก็ไปวิ่งแก้กรรมกันนะตกลงแล้วแก้กรรมทำยังไงโยมไปนอนในโรงกันไหมหรือว่าเอาผ้าขาวคุม นะแล้วก็สวด ๆ, ๆแล้วก็ออกไปจบละแก้กรรมได้ตกลงแล้วใครรู้จริงเรื่องแก้กรรมเราก็ทำกันจีปาถะเยอะแยะเลยนะพระศาสดาคเคยตัดเรื่องแก้กรรมไว้มมีไหมอ่าเราชาวพุทธอาจจะไม่เคยทราบนะอาตมาก็ทาข้อมูลมาให้คุเจ้าตัดเรื่องแก้กรรมไว้ นี่คือวิธีแก้กรรมที่พระศาสดาตรัสไว้วิธีเดียวที่ตัดไว้ทั้งชีวิตคือมักมีองแปดอริยะอัดถังคิกระมัคนี้นั่นเองคือกรรมมะนิโรธขาไม่มีปฏิปทาโยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเฉยๆสบายๆายเนี่ยสินสมาธิปัญญาแก้กรรมได้แล้วไม่ต้องไปวิ่งนอนในโรงผ้าขาวภูมิเอาน้าลดตัวไปสะเดาะเพราะปลูกเสกเลกยันไม่ต้องแก้ไม่ได้จริงพระเจ้าไม่เคยสอน ไม่เคยบอกว่าวิธีนั้นทาให้แก้กรรมได้นะตกลงแล้วใครรู้จริงอ่ะใครรู้จริงเรื่องกรรมเนี่ยแหละศา ส, สนาพุทธกาลังจะเพียนเรากำลังจะแยกความถูกต้องนะออกจากสิ่งปนเปื้อนในศาสนาพุทธเรากำลังจะตรวจว่าอะไรคือคำสอนศาสนาจริงๆอะไรไม่จริงเอาออกไปเอาออกไปจากศาสนาพุทธก่อนพระเจ้าไม่เคยพูดทั้งชีวิตอย่างเนี้ย สมมติว่าโยมเคยกวดน้มามะเคยโยมว่าพระเจ้าเคยสอนกวดน้ำมะเรามาตรวจกันเราก็คีย์คำว่ากวดน้ำเข้าไปนะกวดน้าแล้วก็กดค้นหาไม่พบคำว่ากวดน้ำในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับบาลีสามรัฐไม่เคยมีคำพูดนี้สักครั้งเดียวในชีวิตพระพุทธเจ้านะ ข้อมูล 2,100 ปีที่เก่าที่สุดในโลกตกลงแล้วโยมสืบทอดคำของใครประเพณีวัฒนธรรมของใครไม่รู้โยมหาตัวได้ไหมใครเป็นคนคิดก็หาตัวไม่ได้แต่พระเจ้าไม่เคยพูด น, นี่ยง่ายๆแค่นี้เยอะแล้าะเรากำลังแยกว่าอะไรที่พระเจ้าไม่เคยสอนเอาออกไปก่อน อ, ออกไปก่อนนี่ไม่ใช่ศาสนาพุทธนี่เป็นสิ่งที่ปนเปื้อนแต่งเติมขึ้น พ, พระ菩ส萨สดาบอกว่าอย่างไรพระองค์กลัดไว้เองพระองค์บอกสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่ที่คนทั่วไปมันแต่งขึ้นใหม่เนี่ยจะเป็นคําร้อยกรองประเภทกาบกรนมีอักษรสลัสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกสาวกก็ไม่ได้นะสาวกบัญญัติอะไรเองไม่ได้เมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี้ยวหูฟัง ไม่ตั้งจิตเพจะรู้ทั่วถึงและจากไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนอย่าไปเรียนอย่าไปฟังอย่าไปศึกษาในคําของสาวกหรือคําที่แต่งขึ้นใหม่สาวกฟังมาจากใครอ่ะฟังมาจากตถาคตก็ต้องฟังตถาคตสิพระเจ้าจึงกัดต่อไปว่าส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตา เมื่อมีผู้นําสุดตัณฑะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี้ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนใช่ไหมเนี่ยเฉะนั้นทุกวันนี้เราสับสนมันกับตลปัดกันหมดเลยเราไปศึกษาคําที่คนแต่งขึ้นใหม่แต่คําศาสนาตัวเองเราไม่รู้เลยชาวพุทธไม่รู้เลยนี่แล้วก็เป็นทั้งพระทั้งคารวาะกันนะนั้นอาตมาไป บรรยายเรื่องนี้ให้กับพระ <c oughs> ที่สุรินเจ็ร้องค์วัดป่าบันผือให้พระที่บุรีลำอีกสี่ร้อองค์นี่ที่สุรินเจ็ดรองค์นั่งฟังธรรมบรรยายกันนะแล้วก็ที่บุรีลำนะวัดป่าเขาก็เจียวอีก400องค์ที่ถ้ำดาวเขาแก้วอีก4ี่หองค์พร้อมอุบาสกอุบาสิกานะนี่ในถ้ำดาวเขาแก้ว พระไม่รู้จักพุทธวจนะนะไม่รู้จักคำศาสดาตัวเองรู้จักแต่ว่าอาจารย์ผมสอนอย่างนี้อาจารย์ผมสอนมาอย่างนีนะ้เราต้องไปเริ่มต้นใหม่ที่ตัวพระนะต้องไปสอนพระใหม่นะพระไม่รู้ว่าพระศาสดาสอนแก้กรรมยังไงอตมาถามพระพันกวอ ง, องทั้งหมดนิถาว่าแก้กรรมเนี่ยใครทราบบ้างว่าพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไง ไม่มีพระรู้นะเนี่ยตกลงแล้วที่โยมฟังพระกันทุกวันนี้โยมฟังของจริงของปลอมเนี่ยฟังสิ่งที่แต่งขึ้นใหม่ทั้งนั้นเลยนี่คือปัญหาระดับประเทศเลยนะโยมเป็นปัญหาระดับโลกระดับประเทศด้วยเรากาลังได้ข้อมูลที่เพี้ยนข้อมูลปลอมนะอาตมา ถ, ถามพระว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้สวดอะไร นะจริงๆคําพระศาสด า, าดีหมดนะคําที่หลุดออกจากปากผู้เจ้าเขาทรงจํากันหมดทุกวันนี้เราสวดอะไรสวดคาถายอดฮิตเลยยอดพกักการพาหุงชินนา บ, บัญชร น, นะคาถาจิปาถะเลยแต่พระพเจ้าสวดอะไรมีใครทราบไหมพระพันกขององค์ก็ไม่ทราบเรารู้แต่ว่าอาจารย์ชั้นสอนให้สวดอย่างเนี้ยแต่ศาสดาสอนให้สวดอะไรผู้เจ้าสอนให้ พรเจ้าเองเนี่ยสวดกฎอิทับปัจจยาตาสวดปฏิจจสมุป บ, บาทนะสวดลักสัจจะของโลกนะอิมัสสมิงสติอทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุ ป, ปาธาอีทางอุปชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอะสติอีทางนาโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสะนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป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 และสวดลำดับเหตุของการดับไปของความตายเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้ น, น, น, น, นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิ ญ, ญญาณไล่มาเจอทั้งชาติชรลามรณะดับนั้นถ้าเราต้องการความไม่ตายส่วนตรงนี้เราจะได้ความไม่ตายอมาตะธรรมนิพพานของแท้ของจริงมีมาตั้งสองพันกว่าปีแล้ว ที่อุทยานประวัติาศาสตร์สุขโขทยัยเขาขุดไปเจ อ, อหลักเสาหินเหมือนกับที่ศิลาจารึกพ่อขุนรามนะนะไปเจออีกอหลักหนึ่งเนี่ยมีแกะสลักสายปฏิจจสุบทัท ต, ตรงนี้ด้วยเห็นนะข้อมูลเหล่านี้แค่ของประเทศไทยก็มีมาพันกว่าปีแล้วเห็นนะเพราะนั้นเราไม่เคยทราบข้อมูลจริงตรงนี้ไนงะ มันเพียเพยเพ้ยนไปเพี้ยนไปเพี้ยนไปเรื่อยๆเราก็เลยต้องตรวจสอบเราตรวจสอบหรือตรวจสอบใหม่หมดเลย <c oughs> คงเคยบวชกันมาแล้วหลายคนใช่ไหมพระมีสิงข์กี่ข้อทุกคนตอบเหมือนกันเลยสอง้อยิบเจ็ดเรียนมาจากกระทรวงเดียวกันอ่าไปวัดวาอาลาเหมือนกันเรามาตรวจ ด, ดูใส่คําว่าสิกขาบทสองสองเจ็ดเข้าไปกดค้นหา ไม่พบคําว่าสิกขาบท 2, 2, สองสองเจ็ดศาสดาไม่เคยบัญญัติเห็นนะอัตมากําลังชี้ให้ดูว่าข้อมูลที่เรารู้อยู่ที่ว่าแน่ๆ่แน่เลยแน่แน่เลยไม่แน่นะเนี่ยแล้วเราใช้หลักฐานเดียวกันนะหลักฐานนี่อัตมาไม่ได้แต่งขึ้นนะรอห้าก็ไม่ได้แต่งขึ้นน่ะรอหนึ่งก็ไม่ได้แต่งขึ้น และสาวไปถึงพระเจ้าโศกมหาราชได้เลยสองพันกว่าปนะีเราลองเปลี่ยนตัวเลขใหม่ไหใส่สิกขาบทหนึ่งห้ากดค้นหาข้อมูลขึ้นมาละนะดึงออกมาบาลีสามรัฐเล่มที่ยี่สุตตันตปิฎบบกเล่มที่ส2องอังคุตรนิกายนะเสกสูตรที่สี่หัวข้อที่ห้ายสด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิกขาบทร้อยห้สิบท่วนนี้ย่อมมาสู่เทศทุกขึงเดือนมาสู่อุเทศคือสวดทุกขึงเดือนเอาตกลงแล้วใครต้องเปลี่ยนยมเผาตําลาทิ้งดีไหมมันไม่เหมือนกับที่เราทําหรือว่าจะเปลี่ยนการกระทําของเราหรือเปลี่ยนพระทั่วประเทศให้ทําเหมือนกับข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกดีพระใช้บาตรจีวรของใครอะยมคิดเองหรือเปล่ายุคนี้ไม่ได้คิดเองเพราะข้อมูลในนี้ที่เก่าที่สุดในโลกนี่ ก็บอกแล้วว่าภิกษุเนี่ยมีบาทเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายผู้เจ้าตัดมาตั้งนานแล้วและจีวรเนี่ยบอกวิธีไว้หมดสีจีวรสีนี้ก็ไม่ใช่สีที่อาตมายอยากได้ถ้าพระทําตามกรรมวิธีที่พระศัสดาบัญญัติสีจีวรจะเหมือนกันทั่วประเทศคือย้อมด้วยน้ําฝาดน้ําที่ได้จากเปลือกไม้แก่นไม้ลูกไม้ใบไม้นี่ได้จากการย้อมจากเปลือกมังคุดกับแก่นขนุน นะเป็นผ้าขาวธรรมดานี่แหละแล้วทําตามกรรมวิธีพุทธเจ้าย้อมด้วยน้ําฝาดผ้ากาศวะพัดผ้าที่ได้จากการย้อมจากน้ําฝาดรายละเอียดมีหมดพุทธเจ้าบัญญัติหมดภิกษุหมจีวรแล้วลมพัดผ้าเวิร์กก็บัญญัตนะิลูกดุมลังดุมนะลูกดุมลังดุมมีนะปิดลูกดุมลังดุมไปแล้วผ้าขาดพุทธเจ้าก็อนุญาตผ้าปิดลูกดุมผ้าปิดลังดุมดามผ้าให้หนาขึ้นผ้ายังเวริรกอีก ผู้เจ้าก็บอกว่าให้ลูกดุมลังดุมเนี่ยห่างจากชายผ้าลึกเข้าไป 7-8 ็งแปองคุลีมีรายละเอียดของจีวรหมดอย่าบอกว่าบัญญัติเองบัญญัติไม่ได้เห็นนะเพราะเราไม่ใช้ตามาศาสดาบัญญัติพระจึงมีจีวรหลายสีเหลือเกิน น, นะรูปแบบจีวรก็ไม่เหมือนกันอย่างนี้ง่ายๆกลับไปหาผู้เจ้าองค์เดียวไม่ใช่คําสอนอาจารย์คึกฤทธิ์อาจารย์คึกฤทธิ์ก็ไม่มีคําสอนคําสอนพระศาสดาพระตถาคต นะเพราะฉะนั้นเรากําลังมาตรวจสอบทุกอย่างแต่สิกขาบทของพระไม่ใช่มีแค่ร้อยห้า้าสิบเนี่ยเอามาสวดเฉพาะเอามาสวดทุกกลึงเดือนแต่พระมีศินสองพันกว่าข้อนะไม่ใช่200กว่าข้อนะสองพันกว่าข้อศินมี3มระบบนี่คือระบบทั้งหมดของสินพระที่เราไปค้นมานะไปดูศินสามระบบ พระต้องรักษาศินทั้งหมดนี้บัญญัติก่อนปาติโมกเนี่ยถ้าใส่เลขข้อไปจะได้363ข้อปาติโมกร5 0หข้อตามที่พูเจ้าบัญญัติส่วนอภิสมาจารย์นะมากกว่า 1,000 ข้อให้พระนั่งนับทั้งหมดตอนนี้ได้ 1,940 ข้อรวมทั้งหมดแล้วสองพกว่าข้อที่พระต้องรักษาทั้งหมดแต่นำมาสวดแค่150ห้ หลักง่ายๆแค่เนี้ยมันสับสนกันไปจนคิดว่าพระเหลือสินแค่สองสองเจ็ดทุกวันนี้อัตมาถามพระพันกว่าองค์ที่ไปบรรยายให้ถามบอกว่าพระรักษาสินกี่ข้อมีสินกี่ข้อพระทุกองค์ตอบเหมือนเดิมหมดเลยว่าสองสองเจ็ดยมดูว่าข้อมูลเนี่ยมันคาดเคลื่อนไปขนาดไหนจากสองพันกว่าข้อมันเหลือสองร้อยกว่าข้อแล้วนะอ่าสับสนกันไปหมดนะ แั้นอาตมาถึงต้องทำหนังสือเอ่อถ้าอาตมาไปบรรยายเสร็จแล้วไม่ให้หลักฐานพวกโยมโยมก็ไปนั่งหยิบหนังสือสาวกขึ้นมาอ่านอีกเหมือนเดิมนะอาตมาก็เลยต้องกลับมาทำหนังสือหรือมาหานังสือว่ามีไหมในประเทศไทยหนังสือที่เป็นพุทธวจนะปรากฏว่าไม่มี โยมไปหาหนังสือธรรมะทั่วประเทศตามแผนหนังสือทั่วประเทศได้เลยว่าไม่มีหนังสือแบบนี้นะเราต้องทำเองทั้งหมดนะเราต้องทำหนังสือเองทั้งหมดอันนี้ทำเป็นเล่มเล็กๆมาเพื่อให้ญาติโยมพกง่ายนะพกพาติดตัวได้นะสามารถอ่านได้ตลอดเวลาและเราทำเล่มนี้ท่านพุทธทาสเคยทามาแล้วในช่วงชีวิตท่าน22ปี ท่านใช้เวลา22ปีดึงข้อมูลที่เป็นคำศัพท์ออกมาจากบาลีสมรัฐตัวนี้22ปีทำได้ห้าเล่มปัจจุบันนี้เรามีคอมพิวเตอร์เราใช้เวลาสองสามปีข้อมูลเสร็จหมดแล้วสาสิบสามเล่มคำศาสดาทั้งหมดได้สาสิบสามเล่มขนาดนี้ดึงจากบาลีสมรัฐออกมานะแค่เขียวเอาคำที่แต่งใหม่ออก ในข้อมูลที่เก่าที่สุดมีสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นคำพระศาสดาอีกส่วนหนึ่งเป็นคำที่ถูกแต่งขึ้นใหม่เราเดึงเอามาเฉพาะคำพระศาสดาล้วนๆดูตรงไหนคำพระศัสดาจะอยู่ในวลีคำพูดว่าดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายดูก่อนอ น, นุนดูก่อนสารีบุตรดูก่อนโมคฆารนะดูก่อนวาเสตะดูก่อนจอมเทพดูก่อนมานพดูก่อนช่างไม้มีการพูดชื่อคนที่จะพูดด้วยก่อน แล้วตามด้วยเนื้อหาที่เหลือนอกนั้นเนี่ยเป็นคำที่แต่งขึ้นซึ่งมีมากถึงสามในสี่ของพระตาบิดกนี่คือข้อมูลที่เราไม่เคยทราบเลยและไม่เคยมีใครเอามาเปิดเผยให้พวกเราทราบว่าเรากาลังเสพข้อมูลผิดนะในพระสายปฏิบัติก็ปฏิเสธพระตาบิดกบอกว่าปฏิบัติเลยตามครูอาจารย์ไปเลยไปยึดครูอาจารย์ลืมพระพุทธเจ้าพระสายปริยัต ศึกษาพระไตรปิฎกเหมือนกันแต่ไปศึกษาคําที่แต่งขึ้นใหม่ที่เรียกว่าอัตถกถาลืมพระพุทธเจ้าเหมือนกันตกลงแล้วพระทั้งหมดลืมศึกษาคำพระพุทธเจ้าศาสดาของตัวเองนี่คือปัญหาทั้งหมดเลยนะเราก็เลยมีข้อมูลผิดมันละมีหลายสายไนงะเวลายมจะคุยธรรมะกันเนี่ยยมต้องถามเฮ้ย hey, คุณสายไหนเนี่ยนะไอ้ผมสายนี้นะคุณสายนี้นะมันมีสายขึ้นมาจริงๆมันมีสายไม่ได้นะ ทุกคนมันจะต้องเหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้ามีองค์เดียวนะญี่ปุ่นสองร้อกว่านิกาย200อกว่าสายนะมันไล่ไปจนทั้งพระมีครอบครัวได้นะอยู่บ้านเรือนได้มีครอบครัวนั่นนะ่ะเขาก็บอกเขาเป็นพุทธนะเราก็บอกเราเป็นพุทธเขาก็ว่าเขาเป็นพุทธนะ่ะแล้วตกลงมันมันยังไงกันแนะ่อันหนึ่งพระมีครอบครัวได้อันนึงพระบอกต้องไม่มีครอบครัวต้องออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องได้เลือนตกลงของใครถูกกัน เนี่ยแหละคือระบบอาจารย์ิวาดมันครอบงามจนลืมพระพุทธเจ้าพทธเจ้าจึงบอกคำที่แต่งขึ้นใหม่เนี่ยนะจะเปรียบเหมือนเนื้อไม้ใหม่ที่ทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองนะเปรียบเหมือนกลองศึกของกษัตริย์ทศรลาหชื่ออากาศนั่นมีอยู่กลองอากาศนี้เมื่อตีไปตีไปในที่สุดก็แตกแตกกษัตริย์ทศรลาหะก็เอาเนื้อไม้ใหม่ทเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตก ทำอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทําเสริมก็หมายเท่านั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นลักษณะเดียวกันเนะนี่ยเนี่ยคือความอันตรธานของคําของตถาคตนะซึ่งเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโล ก, กุตระว่าเฉพอดรุสุนิตาจับมีได้ด้วยากันอย่างนี้คําพระเจ้าจะค่อยๆเสื่อมไปหายไปหายไปเรื่อยๆจะมีคําที่แต่งใหม่ทดแทนเข้ามาใครเคยไปปฏิบัติแล้วนั่งสมาธิแล้วก็ถามว่า เอ้ผมนั่งประมาณเนี้ยผมได้สมาธิขั้นไหนแล้วเคยได้ยินพระพูดคําว่าคณิกาสมาธิไหมอุปจารสมาธิอปนาสมาธินะเราก็มาตรวจดิ่งเหมือนกันคานิกาสมาธิลองตรวจคําว่าคณิกาสมาธิเราก็คียคําว่าคณิกาสมาธิเข้าไปคานิกาสมาธิกดค้นหาไม่พบคําว่าคณิกาสมาธิคํานี้ถูกแต่งใหม่อีกแล้ว อุปจารสมาธิละ่ะกดค้นหาไม่มีอัปปนาสมาธิละ่ะไม่มีแล้วศาสดาเราตรัสคำว่าอะไรสามคำนี้โยมเคยได้ยินอยู่ตลอดเวลาเลยค่า น, นี้เก่าวัจจารปนาในยุคนี้แต่ผู้เจ้าไม่เคยพูดแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตผู้เจ้าตรัสสมาธิก้าวคำ ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสารนัญจายจตนะวิญญาณัญจายจตนะอากินจัญญาจตนะเนวสัญญานาสัญญาจตนะสัญญาเวทิตัโรต์เก้าคำนี้คีไปเมื่อไหร่ก็เจอเมื่อนั้นพระสูตรขึ้นมาเต็มไปหมดนะเห็นไหมว่าข้อมูลเนี่ยที่เราวารู้แน่ๆใช่แน่ๆพระผมเนี่ยเก่งมากองค์นี้ข้อมูลผิดอีกแล้วแล้วพระที่สอน สิ่งเหล่านี้คิดเองหรือเปล่าไม่ได้คิดเองจามาเหมือนกันแต่จามาผิดไปจำข้อมูลชั้นกลางที่ถูกแต่งขึ้นประมาณพันกว่าปีที่แล้วนั้นตอนนี้เราก็เช็คหมดตำรานี้ตารานี้ถูกแต่งขึ้นยุคไหนตำรานี้แต่งขึ้นเมื่อประมาณ300รปีนี่500ปีนี่พันกว่าปีนั้นยังชื่อของสมาธิสอย่างเนี่ยไปค้นเจอในตาราที่ถูกแต่งขึ้นประมาณพันกว่าปีที่แล้ว แต่ถ้าไปเทียบกับข้อมูล 2,100 ปีไม่มีเห็นนะมันเริ่มเพียนไปเพียนไปเรื่อยๆนะีเราไม่ได้มาบอกว่าใครผิดใครถูกหรอกแต่เรากําลังมาทําให้คําพระศาสดาของเราเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นให้มากที่สุดและเราจะได้ข้อมูลที่หลุดพ้นจากความทุกข์ได้จริงนะีไม่งั้นเวลาโยมนั่งสมาธิก็อ่าคนนี้ก็ไปนั่งท่องคําบริกรรมนะี คนนี้ก็ไปนั่งดูลูกแก้วนี่ก็ไปนั่งดูแสงสว่างนี่ก็ไปนั่งสั่นเขย่าตัวนะอันนี้ก็ไปนั่งดูลมหายใจตกลงแล้วของใครถูกกันะนี่แหละมันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้โยมจะทําสมาธิโยมก็ยังไม่รู้เลยโยมทําตามใครดีจะทําตามอาจารย์คนไหนดีเออคนนี้มีชื่อเสียงมากคนนี้คนไปวัดเยอะคงจะใช่โยมต้องทําตามพระาศาสดาโยมาศาสดาสอนอย่างไรนะ เพราะนั้นอย่างอานาปานสติเนี่ยอัตมาก็ทํามาให้นี่คืออานาปานสติทั้งชีวิตของพระศาสดามี32มระสูตรนะผู้เจ้าตัดซ้ํากันซะหไม่ซ้ํากันซะยีสหกอานาป้าผู้เจ้าสอนตัวพระเจ้าเองก็ใช้นะแล้วผู้เจ้าเคยสอนคําบริกรรมขณ ะ, จะเจริญอานาปามะไม่เคยเลยใน3 2มสิบสูตรนี้ไม่มี ค้นไปทั้งชีวิตของพระศาสดาพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องคําบริกรรมเลยอ่าเรื่องใหญ่แล้วพระใช้กันเต็มเลยแล้วก็สอนญาติโยมให้นั่งท่องคําบริกรรมแต่พระไม่เคยสอนอาสาลีบุตรไปนั่งท่องคําบริกรรมน ะ, ะมีคําบริกรรมแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่เคยเจอสักพสูตรหนึ่งใช่ไหมพวกท่องพุทธโธก็บอกเนี่ยนะยุบพองไม่ถูกยุบพองก็บอกว่าพุทโธไม่ถูกสัมมาหลังไม่ได้ต้องยุบพองอย่างเดียวนะ มันก็เลยตีกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันหลายสายเนี่ยเราจะแก้ยังไงล่ะแก้ให้ทุกคนยอมยอมพระเจ้าดีไหมล่ะอะไรที่แต่งใหม่เนี่ยละเลิกไปซะแล้วก็กลับมาหาว่าพระศาสดาเนี่ยสอนอะไรง่ายๆแค่นี้เองนะยอมพระเจ้าองค์เดียวไม่ใช่ยอมอาจารย์ตัวเองยอมอาจารย์ตัวเองอาจารย์คนอื่นเขาก็มีอาจารย์เขาก็ไม่ยอมเขาว่าอาจารย์เขาถูกเหมือนกันมันเลยลงกันไม่ได้นะ แต่ถ้าคุณตรวจสอบว่าผู้เจ้าสอนอะไรชัดเจนโปแล้วก็เดินตามตรงนั้นจบเลยศา ส, สนาพุทธจะเป็นหนึ่งเดียวพระสงฆ์จะเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วประเทศและถ้าประเทศไทยทำได้จะเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกนะเราไม่ต้องไปแก้ไขใครเราแก้ไขตัวเองพอ เพราะทุกคนอยากได้ความพ้นทุกข์จริงอยากได้วิธีทำสมาธิจริงๆว่าผู้เจ้าสอนอยังไงอันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดไม่ใช่ว่าอาจารย์สอนอยังไงพะพระตถาคตสอนว่าอย่างไรอย่างการรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยผู้เจ้าสอนว่าอย่างไรไม่ได้มีคำบริกรรมคำพูดอะไรในใจผู้เจ้าบอกภิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตาม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 เพราะนั้นไม่มีเลยที่พระพุทธเจ้าบอกอ่ะไปอยู่ที่ปลายจมูกนะริมฝีปากนะหน้าอกท้องพุงสเสืออะไรไม่มีจิตความรู้สึกของเราอยู่ที่ลมที่กําลังไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกอย่างนี้นี่คือความคําตรงคําจริงจากพระพุทธเจ้านั้นเวลาพระเจ้าจะอธิบายให้ลูกศิษย์ท่าน่ะทํายังไงอาณาปาท่านก็ต้อง อธิบายอย่างถูกต้องที่ท่านทำอยู่ท่านทำยังไงใช่ไหมอและภิกษุมีสิทธิ์บัญญัติอะไรเองได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าสั่งไว้แล้วเราอาจไม่เคยทราบตรงนี้อีกพูพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติอะไรไม่เคยบัญญัติอย่าไปบัญญัติ ภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วอะไรบัญญัติไว้แล้วอย่าเพิกถอนอะไรไม่เคยบัญญตัติอย่าไปบัญญัติเพิ่มเห็นนะหมดสิทธิ์แต่งเลยสาวกพระคุณไม่มีหน้าที่แต่งคําใหม่อุบายใหม่บอกว่าอันนี้อุบายดีไม่ต้องคิดว่าพระเจ้าลืมนะพระเจ้าสัพพัญยูรู้ทุกเรื่องบทแพนชนะสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วอย่าแตะอย่าแตะคําพระพุทธเจ้า นะให้สมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พวกเธอทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นเราถึงมาเน้นนะว่าพุทธวจนะคำพระศาสดาเราสุดยอดแล้วดีที่สุดไม่ต้องไปวิ่งหาคำคนอื่นและความถูกต้องหาไดจากที่นี่นะหาไดจากพุทธวจนะ เราก็ทำมาให้นะการแก้กรรมนะมักวิธีที่ง่ายผู้เจ้าบอกไว้แล้ววิธีใดง่ายนะต้องการเจริญอาณาปานสติทําให้อยากสาธยายธรนะสวดมนต์บอกให้ต้องการดูจิตสอนดูจิตกันเต็มเลยรวมมาให้แล้วหกสิบกว่าพระสูตรดูจิตแล้วต้องทิ้งอารมณ์หรือไหลตามอารมณ์ไป พระศาสดาสอนในหกสิบกว่าพระสูตรนี้รับรู้อารมณ์แล้วให้รีบทิ้งอารมณ์ให้ไหวที่สุดไม่เคยสอนให้ตามอารมณ์เพราะนั้นถ้าพระสอนให้ไหลาตามอารมณ์คุณต้องแก้คําสอนละให้เหมือนกับพระพุทธเจ้านะอยากเป็นคารวะชั้นเลิศมีให้นะอย่าเป็นถึงพระโสดาบันทําให้ เราอาจจะมองว่าพระโสดาบันสูงเกินไกลเกินประเมินเองอีกเดาเองอีกนะยังไม่รู้เลยคุณสมบัติพระโสดาบันเป็นอย่างไรโอ้โหคงทำไม่ได้หรอกครับนะพอมาดูคุณธรรมพระโสดาบันง่ายมากพ้นภัยเวรห้าประการคือมีสินห้านะอย่างที่สองเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างไม่หวั่นไหวสองคุณธรรมแค่นี้เท่านั้น ุู้เจ้าบอกให้พยากรตนและตนนั่นแหละว่าเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยตัดกับภาษาลิบุตรบอกสาลิบุตรเธอรู้ไหมคาววาที่นั่งอยู่ในคนไหนเป็นโสดาบันให้ดูสองกุณธรรมนี้เท่านั้นเห็นนะสินห้ายมก็ทำได้ไม่หวั่นไหวยมก็ทำได้ยมเลิกสะดอเคราะดูเลิกดูยามปลูกเสกเลิกยันนะหีสานางไม้ไม่สนใจยมงมงายกับผู้เจ้าไปสักชาติหนึ่งสิ ทำไมยมงมงายกับจอมปัวภูเขาลูกขจดีอะไรงมงายได้งมงายกับพระศาสดางมงายไม่ได้เชื่อพระเจ้าไปเลยร้อยเปอร์นทั้งชีวิตตอนนี้นะแล้วก็ศึกษาคำสอนของท่านเชื่อว่าคำพูดจากปากของท่านเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยอย่างนี้นะแค่นี้ยยมโสดาบันแล้วเห็นไเมื่อเช้าไปอธิบายตรงนี้ให้อ่า เจ้าหน้าที่ที่ดอนเมืองโทเวนะซึ่งเป็นบริษัทมหาชนประธานเขาบอกว่าแหมผมว่าสินห้าเนี่ยมันก็ได้หมดนะอ้มเหลือข้อเดืยวข้อสุลานี่แหละพอจะมีวิธีทำให้ผมเป็นโสดาบันได้บ้างไหยบอกไม่ยากไม่ยากโสดาบันแบบไม่เอาสุลาก็ได้น ะ, ะไม่มีข้อสุลามีอะไรบ้าง วัดตัวเองได้เลยว่าเป็นโสดาบันแล้วถ้ามีคุณสมบัติตรงนี้ 1. มีศีลสามข้อแรกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการม 2. มีสัมมาวาจาสี่ประการไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจอ้อสอเสือคุณธรรมอย่างที่สามเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างไม่หวั่นไหวแค่นี้เอาไปเลยโสดาบันเห็นนะไม่มีข้อสุราพวกคอสุราแฮปปี้แล้วใช่ห เออข้อสุลาสบายใจขึ้นใช่ไหมแต่เราก็มาวิเคราะห์กันว่าเอ้เรื่องสุลานี่ยทำไมผู้เจ้าไม่บอกเอาไว้นะเราก็มาพิจารณาดูในมัชมัชมีองแปดเอ๊้ข้อมูลมั่วหรือเปล่าผู้เจ้าพูดมั่วหรือเปล่าผู้เจ้าพูดขัดกันเองหรือเปล่าไม่ไปดูในมัชมีองแปดไม่มีข้อสุลาอีกเหมือนกันนะ แต่สุลาทําไมมาอยู่ในศินห้าสิห้าเนี่ยคือการกระทําที่ไปสู่นรกกัมเนริชานเปริวิสัยถ้าทําเป็นปกติทํามากทําบ่อยเพราะฉะนั้นสุลาเนี่ยนะทำมากทําบ่อยเนี่ยเป็นไปเพื่อนรกกัมเนริชานเปริวิสัยแต่สุลาไม่ขวางกาั้นการบรรลุธรรมมีตัวอย่างสันตติธรรมเม า, หมาเหล้ามาฟังธรรมพระเจ้าบรรลุธรรมนะแป๊บเดียว นะเพราะนั้นสุลาไม่ขวางการบรรลุธรรมแต่ถ้าทําเป็นปกติแล้วไม่ได้ปฏิบัติธรรมเป็นไปเพื่ออบายทุกติวินิบ า, นากนรกอย่างนี้เห็นนะนี่เราเห็นมุมนี้ไหมเราไม่เห็นมุมนี้ผู้เจ้าจะบัญญัติยังไงในเมื่อสัจจะความจริงเป็นอย่างนี้นี่ดูเลดูการบัญญัติของผู้เจ้าไม่มีการขัดแย้งกันเลยสอดรับกันหมดนะและ เมื่อโสราบันกลุ่มนี้ไม่มีข้อสุราผู้เจ้าเพิ่มอะไรเข้าไปผู้เจ้าเพิ่มสัมมาวาจาเข้าไปไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจอ้อสอเสียดยมดื่มสุราก็ดื่มได้นะแต่อย่าเพ้อเจอนะอย่าพูดคำหยาบนะอย่าสอเสียดนะอยากขึ้นเห็นนะขนาดไม่ดื่มยังเพ้อเจอนะใช่ไหมอ่าโอ้โหดื่มแล้วสงสัยจะเละเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าโยมดื่มสุราโดยที่ สัมมาวาจาโยมไม่หลุดเนะี่ยโยมเอาไปเลยโสดาบันใช่ไหมอ่ะโยมก็จิตได้เพราะบางคนเขบอกแม่ผมจิตนิดเดียวก็ผิดด้วยเหรอเนี่ยได้ได้อยู่แต่สัมมาวาจาสีอย่างคุมด้วยนะอ่าแล้วก็ศีลอีกสามข้อต้องคุมด้วยนะเห็นไหมเอาไปเลยโสดาบันนะเนี่ยนั้นถ้าโยมศึกษาจริงๆแล้วธรรมะพระศาสดาตรงจริงง่ายนะไม่ยากเกินกว่าที่เราคิด ไม่ได้เกี่ยวว่าแมเพระองค์นี้ต้องมีปฏิหารต้องเห็นนรกสวรรค์ต้องเหาะเหินเดินอากาศได้ดูจิตคนได้นะคนละเรื่องเลยพระที่ทำพวกนั้นได้ทั้งหมดตายเรียบหมดนะยังพ้นความแก่เจ็บตายไม่ได้เทวดาพรหมก็มีปฏิหารเหาะมานั่งฟังธรรมพรเจ้าทำไมใช่ไมพระเจ้าแสดงธรรมแก่พิสุท์ทั้งหลายแสงสว่างส่องทั่วเชตวันเทวดามาละกลุ่มหนึ่งเหาะมา มานั่งฟังธรรมพระศ า, ศาสดานะมานั่งฟังทำไมก็มีปฏิหารเนี่ยปฏิหารมันดีอะไรอ่ะนะมันก็ดีแค่ปฏิหารนแต่มันยังแก่เจ็บตายอยู่ชาตินี้ทำปฏิหารได้ชาติหน้าไปเป็นสุนัขคุ้มไมไม่คุ้มนะพรุทธเจ้าบอกพรมเทวดาเมื่อเท้าเธอทำกาละแล้วก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนกรกกําเนรชาญหรือเปรตวิสัยปัญหาคือตรงนี้ ชาตินี้เป็นพรมพมีปฏิหารชาติหน้าเป็นสุดนัขที่เลื้อนงานกลอยนะไม่คุ้มกันนี่คือสังสารวัตที่โยมต้องเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายไปเรื่อยๆพระาศาสดาจึงตรัสว่าพระองค์รู้สึกอึดอัดขยะขขยงเกลียดชังต่ออะไรตัดกับเกวตตะต่ออิทธิปฏิหารกับอาเทสนาปฏิหารเป็นอย่างยิ่งอิทธิปฏิหารแสดงฤทธิ์ได้ อาเทสนาปฏิหารกำหนดรู้จิตคนจิตสัตว์ได้พระพุทธเจ้าก็ทำได้ทำไมพระเจ้าไม่หยุดแค่นี้และเอามาสอนพวกเราก็ฤาษีโยคีมันก็ทำได้เทวดาพมมันก็ทำได้แล้วมันจะเก่งอะไรอ่ะมันจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ยังไงในเมื่อทำได้เหมือนกับคนอื่นพระเจ้าต้องมีอะไรที่เลิศกว่าคนอื่นทำไม่ได้สิก็คือเข้าถึงความไม่ตายคือนิพพานซึ่งเป็นธรรมที่ละเอียดปราณีตกว่า พวกอิทธิปฏิหารทั้งหลายทั้งหมดเลยนะมีพรมคิดว่ามีพรมชั้นหนึ่งคิดว่าไม่มีพิสุรูปใดขึ้นมาสู่พรมชั้นนี้ได้ผู้เจ้ารู้ความคิดไปนั่งสมาธิบนหัวพรมเลยพระมหากริญนะเอผู้เจ้าไปไหนโอ้ไปนี่ปุบขึ้นไปนั่งสมาธิบนหัวพรมบ้างแต่ตามกว่าผู้เจ้าเยื้องมาทางซ้ายพระโมคะลานะผู้เจ้าไปไหนพึบไปมั่นเห็นนะ เพื่อปราบทิฐิของพรมที่พรมคิดว่าเฮ้ยชั้นนี้ชั้นละเอียดที่สุดแล้วไม่มีใครขึ้นมาได้นะพรมชั้นหนึ่งมีความคิดว่าพรมชั้นนี้ถาวรไม่มีการตายผู้เจ้าไปปรากฏต่อหน้าพรมเลยบอกที่พรมคิดเนะ่ยผิดแล้วไม่ใช่ก็เกิดการโต้ธรรมะ ก, กันผู้เจ้าก็เลยบอกว่าละเอียดกว่าพรมของเธอนะ่มีนะเธอว่าเธอละเอียดแล้วนะ เดี๋ยวผู้เจ้าจะทําให้ดูผู้เจ้าหายตัวไปจากพรหมแล้วทําให้ได้ยินแต่เสียงพรหมก็เริ่มงงเฮ้ยมีคนละเอียดกว่าเราเหมือนเรามองไม่เห็นเทวดาเราก็เลยตื่นเต้นแล้ว่าเฮ้ยเทวดามันละเอียดกว่าเราเว้ยเราก็เลยบูชาเทวดาบูชาผีสางนางไม้กันใหญ่เลยมองไม่เห็นด้วยตาพมก็มองมองผู้เจ้าไม่เห็นก็เลยเลยเอ้ยมีคนละเอียดกว่าเราอีกเนาะเนี่ยนะอเนี่ยนี่แหละเป็นการ ที่พูะเจ้าเข้าไปปรากนะมิจฉาทิฏฐิแบบต่างๆนะนั้นพระศาสดาเราเลิศกว่าเพราะอะไรเลิศกว่าเพราะว่าเข้าถึงธรรมะอันละเอียดปราณีที่สุดได้คือนิพพานความไม่ตายเพราะพรมก็ตายเทวดาตายทุกคนตายหมดคนมีอิทธิปฏิหารตายเรียบหมดนะและยังไม่พ้นอบายทุกติวินิบาตณนรกปรัญหาคือตรงนี้ซึ่งพูะเจ้าบอกเลยว่า พระองค์ไม่เห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกกําเรติชานหรือเปรตวิสัยยมลงไปแล้วเนี่ยอยู่กันยาวนะโอกาสขึ้นมาได้ไหมได้แต่นานมากความนานขนาดไหนพระศาสดาอุปมาเปรบเหมือนโลกใบนี้ทั้งใบมีน้ำท่วมถึงกันหมดมีบุรุษคนหนึ่งย่อนแอกไม่ไผ่ซึ่งมี รูเดียวลงในน้ำนั้นลมก็พัดไม้ไผ่นี้ไปทิศเหนือใต้ออกตกในน้ำมีเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งพระศาสดาถามสาวกว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดนะซึ่งร้อยปีจะโผล่มาหายใจทีหนึ่งเนี่ยจะเจอแอกไม้ไผ่นั้นแล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวสาวกบอกโอ้โหยากมาก ไอ้แค่จะเจอก็ยากแล้วน้ำท่วมใหญ่เท่าผืนโลกไอ้เต่าก็ตัวนิดเดียวแถมตาบอดอีกกังหากแล้วร้อยปีก็โผล่มาหายใจทีหนึ่งมันจะเจอกันได้ไหมเนี่ยก็ะแอกไม่ไผ่ซึ่งลอยไปลอยมานะสาวโกบอกโยากมากผู้เจ้าก็บอกเนี่ยแหละความยากสามอย่างหนึ่งความยากในการได้อัต ภ, ภาพมาเป็นมนุษย์ความยากในการที่จะได้มาเป็นอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ความยากในการที่ศาสนาจะแผ่ภัยสารไปทั่วโลกสมอย่างนี้ยากเสมอกันผู้เจ้าจึงบอกในขณะนี้เธอก็ได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วคำสอนพระศาสดาก็ยังมีอยู่ให้เธออย่าประมาทนะพึงกระทาโยคะกรรมคือการกระทาอย่างเป็นระบบเพื่อให้รู้ว่านี้คือทุกขนี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกนี้คือความดับทุกนี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกดังนี้เถิดนะ อาเลสัตตสีเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนในชีวิตที่ต้องรู้อันดับแรกนะขนาดไฟไหม้ผมบนศรีรษะเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าสาวกเธอจะทำอะไรก่อนสาวกทุกคนตอบเหมือนกันเลยบอกว่าดับไฟก่อนผู้เจ้าบอกว่าอย่าพึ่งมารู้อเลสสัตตสีก่อนนะอ่ายังไม่ต้องรีบดับไฟที่ไหม้ผมรีรษะหรือไฟไหม้เสื้อผ้าลูกโป่งอยู่ อย่าเพิ่งดับรู้อริสสัตวสี่ก่อนเร่งด่วนขนาดนั้นเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ใช่ไหมนี่แหละนั้นเราประมาทในความตายไม่ได้เลยอุบัติเหตุในท้องถนนเกิดขึ้นวันละเป็นร้อยร้อยลายมีใครรู้บ้างว่าตัวเองจะพิการตัวเองจะตายตัวเองจะประสบอุบัติเหตุมีไหมไม่มีไม่มีใครรู้ล่วงหน้าตายกันไปเข้าห้องไอซูกันไป วันเป็นร้อยลายเราไม่รู้อะเย็นนี้เราจะเจอหรือเปล่าพุ่งนี้จะมีชีวิตรอดหรือเปล่าไม่รู้เลยเพราะนั้นมาเล่งรู้อริสสัตตีกันอริสสัตตีคืออะไรสัจจความจริงของโลกโยมต้องเห็นว่า <c oughs> สปปรรพสิ่งในโลกทั้งหมดเนี่ยไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปเห็นแค่นี้ต้องการแค่นี้จริงจริงเห็นแค่เกิดสมุทยัยนิโรธคือดับโยมเห็นอะไรก็ตาม เห็นรถยนต์อ๋อรถยนต์เกิดดับเห็นต้นไม้อ๋อต้นไม้เกิดตายเห็นคนคนเกิดตายเห็นสัตว์สัตว์เกิดตายไม่มีอะไรเกิดแล้วอยู่ถาวรภูเขาก็เกิดดับแม่น้าลำทารเกิดดับทุกอย่างนะแม้แต่โลกใบนี้พรุทธเจ้าบอกว่าในอนาคตการอีกการนานไกลจะเกิดฝนแรงพืชพันธุ์ธัญญาหาร จะตายหมดโลกอีกหลายแสนปีและจากนั้นบอกว่าอีกกาลนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่สองจะปรากฏไอ้ที่ว่าโลกร้อนนะปัจจุบันยังร้อนไม่จริงนะยังมีร้อนกว่านี้นะและบอกอีกกาลนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่สามจะประกากฏไล่ไปเรื่อยจนเจ็ดดวงโลกละลายนะดวงที่สองปรากฏนี่ห้วยหนองคลองบึงเหือดแห้งดวงที่สามปรากฏเนี่ยแม่น้ําเหือดแหง้ง ดวงที่สี่ปรากฏมหาสากของแม่น้ําทั้งหลายเนี่ยเหือดแห้งดวงที่ห้าปรากฏทะเลเหือดแห้งนะดวงที่6ปรากฏแผ่นดินละอุดวงที่เจ็ดปรากฏแผ่นดินละลายผู้เจ้าบอกใครจะคิดได้ว่ามหาปฐพีอันยิ่งใหญ่นี้จะละลายไปได้นอกจากผู้มีญาณอย่างรู้เห็นแล้วนะผู้เจ้าก็ตีกลับมาที่ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเลยสักอย่างนี ที่สุดต้องเดินไปสู่การแตกสลายท่านั้นเราทั้งหลายอย่าประมาทเร่งทำความดีทำจิตให้บริสุทธินะ์นั้นวิธีสร้างความดีที่จะส่งผลในปัจจุบันทำให้ชีวิตเราดีการงานเราดีมียศถาบรรดาศักดิ์มีชื่อเสียงนะเกิดในตระกูลสูงมีอกลัลษณปัจจัยผู้เจ้าตัดบอกหมดเลยวิธีทำอย่างไรผู้เจ้าบอกหนึ่งให้เธอเป็นผู้บริบูรณ์ในศิน สินดีโยมก็ศินห้าแค่นั้นเอง 2. เป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานนะฌานคือสมาธินะแค่รู้ลมหายใจไปดูอุปสรรคนึงไม่ห่างจากฌานทําอย่างไรแค่รู้ลมหายใจแค่ชั่วเวลารัดนิ้วมือเดียวเอานิ้วมือมารัดแค่นี้ผู้เจ้าบอกเธอไม่เหินห่างจากฌานแล้วอย่างที่สามผู้เจ้าบอกให้มีวิปัสสนาอย่างที่สี่พระองค์บอกว่าให้สุญญาคลวัดงอกงามเธอ เรือนว่างท้องถ้ำเสงเนื้มผาป่าชา้าป่าชาัดวิเวกหลีกเล้นบ้างบ้านว่างๆจากผู้คนห้องเราเงียบๆนั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกสบายๆ ย, ยมทำสี่อย่างแค่นี้เธอปรารถนาอะไรเธอจะได้ตามความปรารถนานั้นนี่คือเหตุปัจจัยของการสําเร็จตามที่ตนเองปรารถนาอธิษฐานขึ้นยมตั้งจิตอธิษฐานอะไรมันจะสําเร็จตามนั้นเพราะเหตุอะไรสินดี สมาธิดีมีปัญญามีวิปัสนาเห็นเกิดดับสุญญาคละวัตงอกกามวิเวกหลีกเล่นบ้างนะแค่นี้เองสี่อย่างนะนี่แหละใครรู้จริงเรื่องนี้นะก็เลยเอาสัจจะความจริงที่ศาสดาพูดไว้เมื่อสองพันกว่าปีมาบอกให้พวกเราเพื่อเราจะได้ไม่ประมาทในชีวิตและสิ่งที่เราเห็นว่าเอ๊ะชีวิตเรามันแย่จังเลยมันตกตามมัน มีปัญหามากอุปสรรคมากมันจะหมดไปเลยเพราะการทําสมาธินั้นเป็นกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันทันทีพระุทธเจ้าบอกกรรมฝ่ายดีนะแปดอย่างการทาําสมาธิแประดับจะส่งผลกรรมนี้ในปัจจุบันทันทีกรรมอื่นรอผลไปก่อนนั้นเราทําความไม่ดีอะไรมาเก่าเก่าเนี่ยยมลืมไปเลยละนันทิคือความเพลิน ละไปได้เริ่มทำใหม่ที่ปัจจุบันปัจจุบันทำให้ดีที่สุดนั่งสมาธิแระดับระดับใดก็ได้ไปดูระดับที่หนึ่งทำยังไงปฐมฌานชื่ออาจจะไม่คุ้นแต่พอไปดูคุณสมบัติโถง่ายนิดเดียวครูเจ้าบอกว่าแค่เธอละอกุศลคือการพยาบาทเบียดเบียนในจิตได้ในสมัยนั้นเนี่ยนั่นเรียกว่าปฐมฌานละ แค่นั้นเองยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกแค่เนี้จิตไม่ไปคิดเรื่องอกุศล น, นะเอาไปเลยปฐมฌานและในปฐมฌานนี้ผู้เจ้าบอกถ้าผู้ใดตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5้าก็จะสามารถหลุดพ้นจากอาสวะได้เข้านิพพานได้เห็นนะแค่จิตธรรมดาธรรมดาของเราหมดจากอากุศลไปแล้วแล้วตามเห็นการเกิดดับต่อไปก็หลุดพ้นได้แล้วง่ายสุดเลย นะซึ่งไม่จำเป็นต้องไปที่วัดอยู่ที่บ้านก็ทำได้อยู่ที่ทำงานก็ทำได้อยู่ที่ไหนในโลกก็ทำได้อีริยาบทใดก็ทำได้ยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งหมดนะผู้เจ้าบอกภิกษุแม้นอนอยู่แต่เมื่อเกิดความคุ้นคิดในทางกามทางปัิบันทางเบียดเบียนขึ้นมาก็ไม่ รับเอาความคุ้นคิดนั้นไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกไปทําให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือภิกษุที่เป็นแม้เช่นนี้แม้กําลังนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ยังไงทําความเพียรเผากิเลสนะเพราะฉะ น, นั้นแค่เราทิ้งอกุศลเรื่อยๆเนี่ยชื่อว่าเราเพียรเผากิเลสแล้วนะเพราะฉะนั้นอยากเผากิเลสนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกทิ้งความคิดอกุศลจบแล้วแค่นี้ง่ายๆเห็นนะ ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากเลยตั้งจิตอยู่กับใจของเราเนี่แหละนะใจเราทิ้งอกุศลจบแล้วแค่นี้นะไม่ต้องไปนั่งนุ่งชุดขาวก็ได้เครื่องแบบก็ทำได้ยืนเดินนั่งนอนทำได้หมดมีสติอยู่กับกายเขาไว้อยู่กับลมหายใจถ้าโยมทำงานพระพุทธเจ้าบอกให้ตั้งใจทำงานสอนกับพระอานนท์เรียกสติอธิษฐานการงานอนุสติฐานที่หกแค่ตั้งใจทางานได้แล้วนะ เอาโสมาก็จะขึ้นพระสูตรให้เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่อตมาสอนเนี่ยผู้เจ้าเคยสอนตลอดนะไม่มีการสอนเองสอนตามพระาศาสดานะนั้นเราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงจริงเราจะได้เอาไปปฏิบัติได้น ะ, ะเราก็ได้ข้อมูลมาน่าจะค่อนข้างครบถ้วนนะเพียงพอต่อการที่จะ นำไปใช้ในชีวิตเพื่อความจเจริญก้าวหน้าของชีวิตนะต่อไปมีใครจะซักถามอะไรไหเชิญซักถามได้นะคนเราจะเริญนสองทางได้น ะ, จะเจริญทางโลกจเจริญทางธรรมนะผู้เจ้าอธิบายวิธีไว้จะเขียนในกระดาษก็ได้ถามสดก็ได้นะ อันนี้ถามว่าทําไมในปัจจุบันพระจึงต้องใช้เทคโนโลยีในการนําเสนอทั้งที่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านเทศโปรดโดยไม่ใช้เทคโนโลยีเลยก็ยังมีพระหลานทั้งหลายเกิดขึ้นมากมายและสามารถสื่อให้ประชาชนเข้าใจในหลักธรรม ะ, ะได้อย่างถ่องแท้ด้วยก็ปัญหาเพราะว่าพระมันพูดไม่เหมือนกันยมจะทํายังไงเวลาพระมันพูดไม่เหมือนกันยมไปวัดนี้ไปนั่งดูลูกแก้ว ไปวัดนี้ไปนั่งดูลงหายใจไปวัดนี้ไปนั่งท่องคําบริกรรมตกลงแล้วเนี่ยพระทุพูดแล้วถูกไหมละ่ะจึงต้องเอาเทคโนโลยีมาตรวจสอบให้โยมดูเห็นเลยข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกไม่มีเทคโนโลยีจะมานั่งไงโยมมานั่งดูไหมบาลีสยามลัฐตรงนี้อ่ามานั่งดูไม่ต้องใช้เทคโนโลยีมานั่งอ่านกันโยมมาอ่านทีละคนกว่าจะพบร้อยคนเป็นยังไงกว่าจะนั่งเปิดเจอเป็นยังไงนี่ฮะโยมมันต้องมีปัญญา หยิบเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประโยชน์นะใช่ไหมมันก็ได้ประโยชน์เอาเทคโนโลยีไปใช้ผิดมันก็ผิดนะใช่ไหมอ่มันเร็วกว่าไหมล่ะคีย์คาที่เราสงสัยไปตรวจปุ๊บวินาทีเดียวรู้อะ่ะไม่ต้องมานั่งเปิดเนี่ยกว่าจะเจอเมื่อไหร่เจอจนเย็นน่ยยังไม่เจอเลยใช่ไหมอ่แค่นั้นเองอะ่ะง่ายๆใช่ไหมแต่ถ้าพระใช้เทคโนโลยีผิดก็เรียบร้อยอโยู่ใช่ไหมอ่าก็เสียประโยชน์เหมือนกันเพราะฉะนั้น ที่วัดอาตมาก็คุมเรื่องเทคโนโลยีไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นเห็นเห็นมาตั้งแต่ยี่สิสามสิบปีที่แล้วในสายวัดป่าในพระปฏิบัติกันเนี่ยเราเห็นปัญหาตรงนี้เพราะนั้นวัดอาตมาเนี่ยที่อยู่ของพระไม่มีไฟจุดเทียนไปไหมล่ะใครเคยไปวัดอาตมาไปนั่งจุดเทียนไหมล่ะในอยู่ที่อยู่ถือไฟฉายเดินเหยียบมูเหยียบอะไรก็วัดดวงกันไปนะใช่ไมอมจุดเทียน นะอยู่แบบง่ายๆนะไม่มีไฟฟ้าเพราะเราขี้เกียจไปตามแก้ปัญหาเดี๋ยวเอาเทคโนโลยีเข้าไปอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าไปไม่ต้องภาวนาแล้วพระไม่ให้มีโทรศัพท์ห้ามมีมีเฉพาะพระที่ทำหน้าที่เผยแผ่นะที่เป็นตัวแทนที่ต้องสื่อสารกับญาติโยมนะนอกกนั้นไม่ให้มีโยมต้องรู้จักการใช้เทคโนโลยีเอามา ถ้าจำเป็นเอามาใช้มีกรอบในการใช้พระไม่มีวิทยุโทรศัพท์อะไรต่ออะไรไม่มีไม่อนุญาตให้ใช้ทุกคนเพียวเพียวบาดจีวรโยมเข้าไปในกุฏิพระวัดอาตมาโล่งหมดไม่มีอะไรมีแต่บาดจีวรโล่งๆนะอยู่กับป่าอยากอยู่ป่าไม่มีป่าให้อยู่ปลูกป่ามันเองเลยสิบกว่าปีเป็นป่าล่มคลึม้มต้นไม้สูง30มสี่สิเมตรสบายแล้วใช่ไหม นี่แหละเราต้องมีปัญญาแก้ไขเราไปหาป่าอยู่ทุกวันเนี่ยโยมชาวบ้านมันเข้าไปเต็มป่าหมดแล้วทำยังไงอะ่ะใช่ไหมไปวิเวกทุดงมันก็เดินตามเราขอหวยอีกนะ<ม>อาจารย์มาทุดงเนี่สสัยต้องมีหวยเด็ดแน่เลยนะโยมไม่ได้ภาวนาอีกจะนั่งสมาธิญาติโยมมานั่งเฝ้ากันสิบยี่สิบคนไม่ต้องทำอะไรแล้วนะเนี่ยป่าของเราตอนนี้ ต้องหนีไปที่ไหนหนีไปพวกห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวรเข้าไปในเขตอนรุรกอ น, อนรุรกพันธ์สัตว์ป่าซึ่งไม่อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าไปนะกว่าจะเดินทะลุไปเป็นล้านล้านไล่ลเลยร้อยกว่ากิโลนะจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งะบินตาบอดกับใครดีนอไม่มีชาวบ้านเลยเอา้าวเจ้าหน้าที่ป่าไม้นั่นแหละคนสองคนนะพออาศัยได้ประทางชีวิตไปนะนั่นน่ะต้องไปวิ่ววีอย่างนั้นใช่ไหม ถ้าป่าทั่วไปนี่ชาวบ้านเต็มหมดแล้วนะ่ะเข้าไปก็เจอเนาะและถามว่าไปที่นั้นวิเวกเงียบจริงไหมโอ้โหเสียงสัตว์มันร้องระงมเลยกลางคืนนี่นะเสือกอ็ร้องช้างก็ร้องไอน้นว่นไอ้นี่มันไม่เงียบหรอกเยมีมนะอนะ่มันต้องวิเวกในจิตของเราเราต้องมีวิธีฝึกความวิเวกให้ได้ไม่งั้นเราก็จะไม่ได้ความสงบพระเจ้ <c oughs> าจึงบอกว่า ถ้าเธอทําความวิเวกในจิตได้เนี่ยแม้จะอยู่เกลื่อนกลนไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาหมาเดเิรัถิสาวกของเดรถถัถีแล้วก็าตามก็ยังชื่อว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้นะเพราะว่าละตัณหาได้แล้วนะอืมเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เรานํามาใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะมีไหมสอนให้ นั่งดูแสงนั่งดูลายอ้าวไม่มีไม่มีทิ้งไปโยมก็ต้องไปบอกพระวัด น, นั้นนะว่าผู้เจ้าไม่เคยสอนใช่ไหมอ่าแล้วให้ท่านช่วยเปลี่ยนไม่ใช่มาเปลี่ยนคำพระพุทธเจ้าใช่ไหมอ่าไม่มีค้นพบใหม่อะไรไม่มีนะนี่นั้นเราตอนนี้เราใช้เทคโนโลยีเพื่อมาตรวจสอบความถูกต้องเราเกิดมาในยุคที่ของผิดมันเต็มเลยอ่ะ ของผิดมันเต็มประเทศอยู่เนี่ยทำยังไงอ่ะเราจะมาเปิดเผยความจริงว่าไอ้ความจริงคืออะไร อ, อัตมาบอกอัตมาสอนอย่างนี้โยวบอกโอโ้ไม่เหมือนอาจารย์ผมอาจารย์ผมสอนอย่างนี้ดีกว่าด้วยอ้าวแล้วมันจะตรวจกันยังไงว่ามันถูกมันผิดใช่ไก็ต้องเอาตรงนี้มาชี้แจงให้เห็นเนาะง่ายง่าย <c oughs> เ, าเวลาปิดทองฝังลูกนิดมิดทำไมแจกดินสอเข็มได้แล้วให้เขียนชื่อเรยในกระดาษ นะย่อนในลูกนิมิตเอกอยู่ในบทอห้ลูกนิมิตพิธีเหล่านี้ก็ไม่มีโยมไอนม้นี่พิธีที่แต่งขึ้นอีน ะ, ะนิมิตคือเครื่องหมายที่ผู้เจ้าให้ใช้กำหนดเขตในการไปอยู่ของพระสงฆ์มีภูเขาแม่น้ำทางเกวียนศิลาเนี่ยไอ้นิมิตลูกนิมิตเนี่ยเข้ามาจากคำว่าศิลานะแนวป่านะจอมปลวกใหญ่ เขตทางธรรมชาติที่พระเมื่อจะไปอยู่ที่ใดแล้วต้องการกําหนดเขตตัวเองนะก็ให้กําหนดเขตตามลิมิตเครื่องหมายแปดอย่างนี้ทิศเหนือจดุดภูเขานี้นะทิศใต้แม่น้ํานี้นะทิศตะวันออกตะวันตกจดแนวป่าตรงนี้ตรงนี้เพราะเมื่อผู้เจ้าบัญญัติว่าให้ภิกษุที่อยู่ตั้งแต่สี่ลูกขึ้นไปเนี่ยสวดอุโบสถเนี่ยสินร้อห้าิบข้อเนี่ยนะพระก็สงสัยว่าพระทั้งโลกต้องมาสวดไหมเนี่ยแล้วจะตามกันมาอย่างไงใช่ไหม ผู้เจ้าออกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทางโลกนะพระกรุงเทพกับเชียงใหม่ต้องมาสวดพร้อมกันไหมหรือยะลาปัตตานีไม่ต้องไม่ต้องให้กําหนดเขตที่อยู่ของตัวเองขึ้นมาเนี่เขตนั้นเรียกเขตเสมาหรือเขตสีมาเห็นไหมยมรู้ที่มาที่ไปไหมไม่ใช่เอาลูกนิมิตมาเนี่ยอย่างนี้จมลงท้างใต้มันจะรู้ไหมเนี่ยลูกนิมิตอยู่ตรงไหนนิมิตคือเครื่องหมายที่เห็นได้ด้วยลูกลตานี่ลูกลตา นะพระต้องเห็นเนี่ยเห็นนิมิตของตัวเองนะภูเขาตรงโ น, น้นตรงนี้ตรงนี้จะได้ไม่หลุดออกจากเขตวัดของตัวเองแค่นั้นเองนะโยมแล้วมันก็ไปประดิษฐ์เป็นใบเสมาเป็นลูกกลมๆเป็นจีปาถะนั้นแต่งเองหมดเลยเห็นนะเพราะนั้นคำถามก็ถามจากข้อมูลที่ <Okay. S 1> ที่ผิดอีกเห็นนะอ่าเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ อาารย์มาก็ทํามาให้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอริยวินัยวินัยของพระทั้งหมดเขต ท, ที่อยู่ของตัวเองผู้เจ้ากําหนดยังไงเพราะมีความสําคัญเวลาเข้าพรรษาแล้วห้ามออกนอกเขต ท, ที่อยู่ของตนเองก่อนอรุณขึ้นนะใครออกก่อนอรุณขึ้นขาดพรรษาอย่างเนี้ยนั่นนี่เป็นเรื่องวินัยหมดที่พระต้องราาักษาปาราชิกสี่ข้อเนี่ยห้ามเสพเมตุนห้ามขโมยห้ามฆ่า ม, มนุษย์ห้ามอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตน อยู่ในนี้ทั้งหมดนะโยมพูดมาสองพันกว่าปีแล้วพระแต่งเองไม่ได้อยาบัญญัติเองผู้เจ้าก็บอกแล้วยาบัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติยาเพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วเห็นนะเพราะฉะนั้นหน้าที่พระต้องเปลี่ยนนะอ่าพิธีกรรมเยอะแยะเลยนะมีสวดพันยักษแลนาะเทศมหาชาติอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่งขึ้นทั้งนั้นเลยโยมเห็นนะโยมก็ไปนั่งฟังคิดว่าเอออันนี้เราได้บุญได้กุศลแล้วแต่ ข้อมูลคาดขึ้่อนอีกแล้วนะแล้วศาสนาพุทธก็กลายเป็นเรื่องพิธีกรรมพระมานั่งแลพระมาขับเสียงยาวพู้เจ้าปรับอาบัติทุกกฏกับพระที่ขับเสียงยาวนะบอกโทษของการขับเสียงยาวไว้ด้วยว่าผู้ฟังก็จะกำหนัดในเสียงของเขาตัวเองก็กำหนัดในเสียงสมาธิจะเคลื่อนนะอนุชนรุ่นหลังจะเอาเป็นตัวอย่างเห็นนะบอกโทษไว้หมดโยม แต่พระไม่ศึกษาไม่เรียนรู้คำสัสดาตัวเองก็เลยปฏิบัติผิดโยมเห็นเขาว่าผมจีวรถือบาตรนึกว่าสอนถูกหมดนี่ไงปัญหาคือตรงนี้ยมเห็นปัญหาไหมเนี่ยน ะ, ะเพราะนั้นเราก็เลยต้องค่อยๆฝึกพระไงเพราะนั้นพระชุดแรกที่ไปนั่งฟังอาตมามาพันกว่าองค์เนี่ยก็เข้ามาร่วมในการเผยแผ่พุทธวจนะเนี่ยหนึ่งร้อยวัดสี่ดจังหวัด และในส่วนนี้ก็มีนะยีวัดที่เข้ามาฝึกนี่คือพระจํานวน26วัดที่เข้ามาฝึกนะฝึกเพื่อเรียนรู้คําสอนพระศาสด า, า, า, าโดยตรงฝึกให้ท่านซักย้อมจีวรทําให้เป็นล้างบาตเช็ดบาต ท, ที่ถูกวิธีบาตล้างแล้วเอาอาหารล้างแล้วนี่ทุกวันนี้ไปฉันในจานใช่ไหมทิ้งบาตเลยนะพระต้องฉันในบาต ฉันแล้วต้องล้างล้างแล้วต้องเช็ดให้แห้งปล่อยให้แห้งคาน้ําปักอวบนะเช็ดแห้งเสร็จแล้วผู้เจ้าให้ไปตากแดดพึงแดดพึงแล้วอย่าพึงนานพึงพออุ่นๆแล้วเก็บให้เรียบร้อยมีอาบตหมดคุมบาททุกขั้นตอนเพราะบาทเป็นบริการที่หายากอนุญาตบาทเหล็กบาทดินบาททองบาทเงินบาทแก้วไมณีแก้วไพทูลมณีบาทไม้ห้ามหมดทุกวันนี้มีพระใช้บาดไม้มห ใช้ไม่ได้เพราะพรุทธเจ้าบัญญัติธรรมน ะ, ะเพราะเหตุที่พาราทวาชา้าห่อไปเอาบาดไม้มาสั่งประชุมสงฆ์นะบัญญัติห้ามแสดงฤทธิ์แล้วก็สั่งให้ทาลายบาดไม้ซ ะ, ะแล้วก็สั่งห้ามพระใช้บาดไม้บาดทองก็ไม่ได้พระอุ้มบาดทองไปบิณฑบาตเป็นไงอยู่โอ้โหรู้ไโดนจุลกรรมแน่เลยน ะ, ะเนี่ยพระพเจ้าบัญญัติหมดเยอ่ เ อ, อแล้วเราก็แจกโน้ตบุ๊กให้กับพระทุกองค์ที่นี่นะโน้ตบุ๊กอย่างเนี้ญาติโยมที่มีจิตศรัทธาก็ถวายเราบอกว่าเราจะให้ข้อมูลท่านเต็มที่นะเพื่อให้ท่านมีความรู้ที่จะไปสอนพระในจังหวัดของท่านหรือลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมในจังหวัดของท่านอย่างถูกต้องนะไม่มีใครเอาใจใส่การศึกษาของพระมานานมากแล้วยอมเป็นร้อยร้อยปี และไม่เคยมีใครตรวจสอบความถูกต้องเราถึงต้องใช้เทคโนโลยีมาตรวจสอบความถูกต้องมันเป็นการพลิกประวัติศาสตร์การศึกษาพุทธศาสนาใหม่หมดเลยโยมนะและตรวจสอบได้ด้วยเร็วและใช้ข้อมูลเก่าดั้งเดิมพุทธวจนะเพราะนั้นต่อไปจะมีหนังสือที่เหมือนไบเบิลคำพระเจ้าของพุทธไม่เคยมีครั้งแรกในโลกเราจะมีคำพระพุทธเจ้าล้ว น, นพุทธวจนะ ไม่ใช่คาสอนของใครทุกคนยิงตรงเข้ามาที่นี่ส3สามเล่มนะกำลังทยอยเสร็จทีละเล่มนะข้อมูลเสร็จหมดแล้วในคอมพิวเตอร์ก็กำลังจัดทำเป็นรูปเล่มมาอย่างนี้นี่เป็นเล่มตัวอย่างเล่มแรกนะพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องกรรมหรือไม่ในพระตวิชญ์ถ้ามีท่านสอนเรื่องกรรมไว้อย่างไรครับมีเรื่องสอนเรื่องกรรม พระเจ้าบอกกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบอะไรคือกรรมพระเจ้าบอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาเป็นกรรมเห็นนะนั้นโยมถอยรถไปทับลูกสุนัขตายลูกแมวตายเสียใจไปเจ็ดวันไม่ต้องไม่ต้องเพราะโยมไม่มีกรรมไม่มีเจตนาโยมไม่มีความผิดนะเจตนาเป็นตัวกรรมโยมจํำคีย์เวิร์ดพระเจ้าตรงนี้นิดเดียวก็ได้เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมจบแล้วแค่นี้เห็นไหมเหตุเกิดของกรรมเกิดเพราะผัสสะ ความดับของกรรมดับเพราะภาษานะเวมะตะตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกก ร, รมเนรไดชันเปลวิสัย Play ide, เทวโลกพมโลกมนุโลกมีนะวิบากของกรรมมีสมระดับวิบากในทิตธรรมแปลว่าปัจจุบันวิบากในอุป ป, ปัชชะเวลาถัดมาและอปรปรยายะเวลาถัดมาอีกสมระดับและสุดท้ายที่เราชอบกันมากเลยณนะวันนี้ คือกรรมนิโรธคาไม่มีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมนี่แหละไปนั่งแก้กรรมกันเนี่ยเป็นแก้กันผิดเนี่ยนะต้องแก้ด้วยมักมีองค์แปดและทุกวันนี้ที่เป็นนั่งสแกนกรรมกันในออกทีวงทีวีทําได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดสแกนกรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์เดียวเลยพระเจ้าตรัสในมิขสาลาสูตร บอก อ, อนนท์เพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตพระพระเจ้าองค์เดียวเพราะเราไม่เคยทราบข้อมูลเหล่านี้เมื่อพูดไว้เมื่อ2 0 0พันกว่าปีเราก็เลยไปเชื่อไอ้พวกสแกนกรรมมั่วสั่วกันอุตตลุดไปหมดเลยใช่ั้ยและพระเองก็ยังไปพยากรคนนั้นคนนี้กันอีกพยากรได้ไหมพระเจ้าบอกพระนนท์อีก เพราะเหตุ น, นั้นแหละพวกเธอทั้งหลายอย่าได้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทําลายคุณวิเศษของตนเองเราหรือผู้ที่เหมือนเราเท่านั้นพึงถือประมาณในบุคคลได้เก่งเท่าพระเจ้าไหมล่ะถ้าเก่งได้ก็ทําไปถ้าเก่งไม่เท่าห้ามทําเห็นไหมตัดไว้แล้วศาสดาเราเองน่ยตกลงยกจะฟังสาวกหรือฟังศาสดาละ่ะใช่ไหมอ่าพบทบอนั่งอยู่นี่ยอมฟังใครอ่ะไม่ฟังพอบทวอเหรอ หรือไปฟังในร้อยในพันไม่ได้ฟังพบบรบบธบเนี่นะพระพุทธเจ้าร้อยเปอร์ซะพบทธนะ บ, ทบพูดเนี่ยโยมเป็นฝ่ายเสยังค้านได้นะแต่ถ้าพระพุทธเจ้าพูดไม่มีใครกล้าค้านนะสารีบุตรจงค้านไม่ได้เลยเสยซ้ายเสยขวานเนี่ยเลิ่ทางลิตเลื่ทางปัญญาเนี่ยไม่มีกล้าค้านนะเพราะพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูโลกนะไม่มีการพูดผิด ไม่มีการคิดผิดคนเดียวเห็นไหมภาษาริบุตรเนี่ยเคยเสนอเนี่ยเนยเสเสฝั่งขวาเสนอพระเจ้าบอกว่าพระที่ไปเข้ากับพระเทวทัตนะแล้วกลับเปลี่ยนใจมาหาพูะเจ้าใหม่ให้ศึกให้หมดเลยแล้วบวชใหม่พูะเจ้า ว, ว่าไงสารีบุตรเธออย่าพอใจการอุปสมบทใหม่ของพิสุทธ์แล้วนั้นเลยให้ปรับอบัตถุละใจโดนเลยเห็นนะพระะหันนะ เลิกทางปัญญานะเป็นไงถูกผู้เจ้าเบรกเป็นไงถ้าฝ่ายเสนะปัจจุบันนี้คงเครืองเหมือนกันเนาะอ่าแต่ภาษาลิบุตรเป็นพระหลานแล้วไม่เครืองรับทราบรับปฏิบัติครับใช่ไหมเป๊ะเลยกล้าแย้งผู้เจ้าไหมผมก็พระหลานนะผมเลิกทางปัญญานะไม่มีเห็นนะไม่มีใครเก่งกว่าผู้เจ้าเป๊ะหมดนะพระมหากรปินะเป็นพระหลานเก่งฤทธิ์ด้วย คิดว่าเออวันนี้ลงอุโบสถมันแค่ทบทวนศีลเราเป็นพระหลานแล้วจะไปนั่งทบทวนศีลทําอะไรผู้เจ้ารู้ความคิดนะหายตัวไปปรากฏ ต, ต่อหน้าพระมหากัาปินะบอกกัาปินะเธอจงไปลงอุโบสถเธอไม่ไปลงไม่ได้ถ้าเธอไม่เคารพอุโบสถแล้วใครเล่าจากเคารพอุโบสถกัาปินะเธอจงไปลงอุโบสถไปไหมไปหายตัวฟับไปเลยเห็นนะยอมหมดยอมผู้เจ้ามหมดเลยยอมนะเพราฉนั้นนี่ยกมาให้สารีบุตรโมฆลลานะเก่งๆทั้งนั้นเลยมือซ้ายมือขวา ยังไม่กล้ากับพระเจ้าไม่ต้องพูดพระสงฆ์ทุกวันนี้ต้องทำตามพระพุทธเจ้านะ่ะไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธหรือคิดอะไรขึ้นใหม่นะนั้นะพระเจ้าตัดเรื่องกรรมไว้อย่างนี้วิธีแก้กรรมมีบอกให้เสร็จวิธีที่ถูกต้องเราต้องการแก้กรรมอย่างถูกต้องทั้งนั้นนายโยมนะวัดใกล้ๆก้วัดอาตมาก็เหมือนกันเข้ามาทีสองสามร้อยคนเอาผ้าขาวคุมเป็นแผงทั้งศาลาเลยเสร็จแล้วนั่งสวด อ, ออกไป จบจ่ายเงินคนละสอ0ร้0ยสอจบอับแก้กรรมไปหมดและสบายใจญาติโยมก็ดึกว่ากรรมหมดแล้วสบายใจแล้วยังมีอยู่นะยังแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้จริงอะ่ะแต่โยมอยู่บ้านเฉยเฉยสบายสบา ย, บายจเจริญอาณาปานสตินั่งรูลง้ลมหายใจตามที่พระเจ้าบอกคอยละนันทิจิตเคลื่อนจากลมปุ๊บละความเพมลินกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกขณะที่จิตเคลื่อนไปโยมเห็นความไม่เที่ยงของจิตแปลเปลี่ยนเห็นการเกิดการดับ ยมหลุดพ้นจากกรรมได้แล้วไม่ต้องเสียเงินสักบาทหนึ่งใช่ไหมจเจริญสมาธิภาวนาอยู่กับบ้านอยากสงบไปวัดก็ได้ไปนั่งสมาธิรักษาสินนะมาตรฐานสินห้าโสดาบันแล้วสินห้ายมมีปัญหาเรื่องกระเพาะเรื่องอดอาหารไม่ได้ยมเ็เาสินห้าสบายๆนะทำสินห้าให้เป๊ะๆยมได้โสดาบันแล้วเนะนี่ยแหละเมืนะ่อพระเจ้า ท, ทรงไม่สอนเรื่องอิทธิปฏิหารแต่ทําไมอัครส า, าวกของพระองค์จึงทรงมีฤทธิ์มีปฏิหารแล้วพระหลานสาวกอาของพระองค์จึงทรงเลิศทางด้านต่างๆแล้วทําไมจึงสรนเสริญอัครส า, าวกของพระองค์เลิศ ด, ด้านนั้นด้านนี้ครับนะก็เป็นเพราะว่าสาวกเนี่ยเก่งด้านไหนผู้เจ้าก็ ชมด้านนั้นเรียกว่าเป็นเอตัทัคคะแต่ไม่ใช่ว่าเก่งเท่าผู้เจ้าหรือใกล้เคียงผู้เจ้านะห่างไกลกันมากแค่เก่งในบรรดาสาวกแต่กับผู้เจ้าเนี่โอ้โหคนละชั้นกันเลยนะนี่คือความต่างกันนะไม่ใช่ว่าเลิ่อปัญญาเลิ่ทางลิตแล้วมาเฉียดผู้เจ้านะคนละเรื่องเลยนะถ้าใครทําได้ใกล้ผู้เจ้าผู้เจ้าจะบอกเอาไว้เช่นพระมหากัสปะผู้เจ้าบอกเลยว่ากัสปะเนี่ย ได้ฌานสมาบัติเนี่ยเท่ากับพระพุทธเจ้านะเพราะฉนั้นพระมหากรสปับเป็นองค์เดียวที่ผู้เจ้าอนุ ญ, ญาตให้ใช้สังกติร่วมกันกับพระองค์ได้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแต่และองค์เนี่ยใครเก่งอะไรขนาดไหนเนี่ยผู้เจ้าจะบอกไว้สารีบุตรเนี่ยมีความสามารถภาพรวมพระสารีบุตรไม่มีลิศนะนะแต่ทําไมผู้เจ้าบอกว่าเก่งลองจากพระพุทธเจ้าลงไปเห็นนะถ้าเปรียบเหมือนโอรสองค์โตก็เปรียบเหมือน ถ้าเปรียบเหมือนอลูกของกษัตริย์ก็เปรียบเหมือนโอรสองค์โตที่จะได้ขึ้นคลองล่าต่อจากพระราชาอย่างนี้นั้นภาพรวมภาษาบุตรเก่งสุดทั้งทั้งที่ไม่มีฤทธิ์เลยเพราะอะไรมีอยู่คราวหนึ่งภาษาบุตรนั่งสมาธิพึ่งปงผมใหม่ๆมียักษ์สองตัวเดินมาบอกแน่หัวใสดีฟาดกระบาลซะหน่อยดีไหมยักษ์ตัวหนึ่งก็คุยกับยักษ์อีกตัวบอกเดี๋ยวเอาไม้กระบองฟาดหัวภาษาบุตรยักษ์อีกตัวบอกเฮ้ยอย่ายุ่งเลย สมณสักยปุตติยะมีฤทธิ ม, มากมีอนุภาพมากอายักษ์ตัวนี้ไม่สนใจเอากระบองฟาดหัวพระสารีบุตรไปอายักษ์ตัวเพ่นดีกว่าวิ่งหนีไปเลยอายักษ์ตัวนี้ฟาดเสร็จเดินไปไม่นานธรณีสุกจมลงไปพระโมคคัลลานะนั่งอยู่นั่งสมาธิอยู่ข้างเฮ้ยสงสัยสารีบุตรเสร็จแน่และก็ออกจากสมาธิมามหาพระสารีบุตรบอกเฮ้ยเป็นยังไงท่านสารีบุตรเมื่อกี้ยักษ์ฟาดหัวท่านเนี่ย พระสารูดบอกว่าไม่เป็นอะไรเจ็บศีสันนิดหน่อยบอกโอ้โหท่านเก่งอย่างไงท่านทําอะไรอยู่บอกผมเข้าฌานสมาบัติอยู่พระสารูดก็ชมโมกรานะเออท่านสีเก่งเนี่ยเห็นยักษ์ด้วยผมปีศาจสักตัวยังไม่เห็นเลยเห็นนะพระสารุดไม่มีลิ้นอะไรแต่ตัวธรรมะเนี่ยคุ้มครองรักษาท่านได้เห็นนะบอกโมกลาณบอกโอ้โหเมื่อกี้ยักษ์ฟาเนี่ยถ้าเป็นภูเขาก็าแตกกระจายไปแล้ว แต่ท่านยังบอกว่าเจ็บศีษะหน่อยเดียวแค่นั้นเองเนี <c oughs> ่ยเพราะฉะนั้นตัวธรรมะรักษาคุ้มครองอยู่แล้วตามธรรมเห็นนะไม่ต้องไปกังวลอะไรไม่ต้องเกี่ยวกับข้องกับอิทธิปาฏิหาริย์สุสิมะปลอมมาบวชในพระศาสดาอยากได้อิทธิปาฏิหาริย์ผู้เจ้ารู้ละเรียกสุสีมะมาคุยบอกสุสิมะเป็นยังไงสายปฏิจจสุบานอะไรเป็นเหตุให้เกิดของความตายอ๋อเพราะมีชาติอะไรเป็นเหตุได้เกิดชาติเพราะมีพบไล่ไปเรื่อย สุสีมะเข้าใจธรรมะไปเรื่อยไปเรื่อยผู้เจ้าก็ถามว่อ่ะเป็นไงสุสีมะอยากได้ฤทธิ์ไหมไม่อยากได้แล้วพระเจ้าค่ะจําจเป็นไหมต้องมีฤทธิ์ไม่จําเป็นพระเจ้าค่ะเห็นนะนี่แต่การทําสมาธิเนี่ยมันนําพาไปสู่การได้ฤทธิ์ได้ซึ่งก็เหมือนกับฤือีโยคีแต่ก่อนที่เขามีฤทธิ์เพราะเขาทําสมาธิได้เขาทําสมาธิทำฤทธิ์กันได้ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วนะเพราะฉะนั้น ผู้เจ้าเป็นสัพพัญยูเพราะองค์จึงบอกไว้หมดฤทธิ์คุณจะทํำยังไงคุณต้องเข้าชานหนึ่งสอสาสี่เมื่อได้ชานสี่แล้วเป็นจิตที่ควรแก่การงานจัดแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอนเนกจะน้อมไปสู่อิทธิปาฏิหารก็ได้อาเทศนาปาฏิหารก็ได้น้อมไปสู่การสิ้นอสาาวะก็ได้มันเป็นหนทางร่วมกันนะ่ะที่ใช้ร่วมกันนะเพราะฉะนั้นหนทางร่วมอันนี้ถ้าฉีกไปทางนี้เห็นอเลสสัต์เกิดดับสิ้นอสวะถ้าฉีกไปทางนี้นะไปอิทธิปาฏิหาร ไปเพลินตรงนั้นก็ยังแก่เจ็บตายทำสมาธิอย่างเดียวถ้าตายขณะนั่งสมาธิไปเป็นเทวดาแต่ผู้เจ้าว่าไปเป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนแต่ถ้าทำสมาธิเห็นเกิดดับแล้วตายไปจะได้ไปเป็นเทวดาที่เป็นอริยบุคคลดันตัวเห็นเกิดดับสำคัญที่สุดคืออริสสีนั่นเอง น, นี่คือสิ่งที่ผู้เจ้าไม่เหมือนกับศาสดาองค์อื่ น, นเป็นอย่างนี้ อ่านะ อ, อพระคุณเจ้าตัดสินใจที่จะสืบสานพุทธศาสนาทั้งๆ ท, ท, ที่อาจจะทราบคร่าวๆว่าอนาคตข้างหน้าท่านอาจจะได้เป็นนั่นเป็นนี่อื ท, ทั้งนี้ จ, จะทราบว่าและขณะนั้นพระคุณเจ้าถ้ามีข้อบครัวแล้วพระคุณเจ้าจะพระคุณเจ้าค้นพบอะไรหรือใช้ธรรมข้อไหนที่ใช้ในการตัดสินใจให้บวชไปตลอดครับ อ๋อก็อริยสัจสี่นี่แหละเห็นเกิดเห็นดับนี่แหละพอเราทำไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆเราทำมาแรกๆห้าปีสิบปีเราก็ไม่เห็นได้อะไรเลยแต่อะไรที่มันได้การมองเรื่องโลกจืดลงไปเรื่อยๆนะเรื่องทางโลกจะจืดไปจืดไปเรื่อยๆเริ่มไม่มีคุณค่าอะไรเหมือนสมัยโยมเป็นเด็กโยมไม่ได้เล่นลูกโป่งร้องไห้เสียใจแต่ทุกวันนี้ โยมไม่ได้เื่อนลูกโป่งก็ไม่มีใครเสียใจเอ๊ะมันเลิกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ใช่ไหมมันค่อยๆจางคลายไปจางคลายไปจางคลายไปเรื่อยๆพระเจ้าจึงใช้คําพูดว่าอวิชชาจางคลายไปถ้าเธอเห็นอริสัตย์เื่อๆเห็นซ้ําๆเห็นซ้ําๆนั่งสมาธิจิตนิ่งเห็นเกิดดับจิตนิ่งเห็นเกิดดับทําอยู่สองอย่างแค่นี้สมถะคือจิตนิ่งมีลมอันเดียววิปัสสนาคือเห็นเกิดดับทําแค่เนี้โยมก็จะเรื่องในโลกจะจืดไปเรื่อย และเมื่อจิตไปมากๆเข้าโยมก็เริ่มเห็นประโยชน์ของการเนคขมมะคือออกขวดนะว่าวมันก็ไม่มีอะไรในชีวิตกเกษียณแล้วก็เท่านั้นนะเป็นคนแก่อยู่บ้านธรรมดาอาตมาไปกับผบอพันธุ์ไปเยี่ยมผบธบห้าคนในอดีตเราก็เอากระเช้าดอกไม้ไปไ ป, ไปเยี่ยมนั่งรถตู้ไปกันไปบางคนก็ตามองไม่เห็นต้องคลําบ้านออกมามาต้อนรับเรา บางคนก็อยู่คนเดียวลูกหลานก็ไปทํางานทําการหมดนะก็เฝ้าบ้านเงียบๆแต่ก่อนเราเคยเห็นเขายิ่งใหญ่มากเราก็เคยอยากเป็นปอปโ บ, อ, บ อ, อยากเป็นนั่นเป็นนี่ใช่ไหมแต่พอปฏิบัติไปมันก็จิตลงจิตลงธรรมดาโยมก็จะทํางานไม่ใช่ว่าทํางานไม่ดีโยมก็ทํางานภายใต้อุเบกขากลายเป็นทํางานดีโยมก็ตื่นร้อนมากไปกลายเป็นไม่ดีซะอีกใช่ไหมขี้เกียจก็ไม่ดี ยมไม่คุมอารมณ์ทำงานไม่ดีแน่นอนคนพูดหน่อยมีปัญหานะนะทำโน่นทำนี่คุมอารมณ์ไม่ได้นั้นยมคุมอารมณ์ให้ดีเนี่ยสุดยอดเลยคือการทำงานที่สุดยอดนะเราจะทำงานได้มากรุ่นน้องบอกว่าพี่ทำไมนายเชื่อพี่ทุกคาเลยอ้าวเขาไปรักษาศีลห้าสินะไปไหนกันนายพูดตรงพูดจริงตลอดนะใช่ไหม เครดิตในคาพูดเราจะสูงนะเอ๊พี่ทำไมเวลางานมาเยอะในะพี่สามารถแจกแจงงานได้หมดเลยไม่ไม่สับสนไม่อะไรต่ออะไรน้องไปนั่งสมาธิเวลาจิตมันตั้งมั่นเนี่ยมันจัดงานอย่างเป็นระบบอย่างดีนะความเร่งด่วนอันไหนมาก่อนมาหลังอะไรจิตมันจะไม่ไม่ลนไม่วุ่นวายไม่สับสนนะจิตมันเป็นสมาธิจิตเราเนี่ยมีความสามารถสูงมากแต่เราไม่ค่อยเคยฝึกแค่นั้นเอง แค่เราไปทําสมาธิสุดยอดเลยการทํางานโยมจะสุดยอดและมันเป็นบา ร, รมีมากด้วยนะยศตําแหน่งมาเองนะไม่อยากได้มันก็ได้นะเขาบอกว่าน้องต้องไปที่ตําแหน่งนี้ไม่มีใครดีกว่าน้องแล้วนะเออไปอยู่ให้พี่หน่อยเถอะไอ้เราก็ไม่อยากได้นะพอไปอยู่โอ้โหตำแหน่งนี้มันมันมี power มากเนี่ยใช่ไหมอืมเพราะนั้นเขาก็อยากได้คนที่ดีที่เขาไว้ใจให้ไป ดูแลสิ่งที่ดีที่สุดอย่างเนี้เพราะนั้นโยนทําเถอะรักษาสินห้านะทําสมาธินี่บางคนบอกว่าเนี่ยไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่นี่ยอยู่ยากวงการทหารอาตมาก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่มานะก็ อ, อยู่ได้ไม่เป็นไรนะรู้จักเสดังนะเสดังไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะอ่านะ หลายคนในวงการทหารไม่กินเหล้าไม่สูบหรี่ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ได้ทั้งนั้นนะโยมนะเห็ <children> นเขาโ ย, โยโยเป็นนักรบอะไรไม่เอาเหล้าบุหรี่ไม่เอาวิ่งออกอกำลังกายแข็งแรงเป็นนายพลยังออกกำลังกายอยู่เลยนะยึดพื้นดึงข้อนะร่างกายอ่ะร่างกายดีอ่ะใช่ไหสดชื่นสมองกวาดโปรง่งไม่มีอะไรไปบั่นทอ น, น่ะใช่ไหอืมเพราะนั้นโยมธรรมะพระเจ้าเนี่ยดีที่สุดทาไปเถอะ เราไม่กินเหล้านะอาตมาก็ได้ไปกับ น, นายทุกไฟอะนะนายบอกเออดีพวกเราเมาเสร็จเดี๋ยวให้มันขับรถกลับนะขับรถให้พานายกับบ้านอนีกสบายนะได้ติดไปกับ น, นายทุกครั้งนะเรารักษาสินดีเขาก็ไว้ใจอ่ะถืองบของหน่วยให้เราถือเงินหน่วยอ้ดูแลไว้นะนายจะเบิกเมื่อไหร่ก็เขาสบายใจที่ฝากเงินไว้กับเราอย่างเงี้ย โยมมีศีลเท่านั้นน่ะโอ้โหความไว้วางใจทุกอย่างมันจะเทมาที่เราหมดเลยนะเราจะเป็นคนที่มีศักยภาพสูงขึ้นมาทันทีมันจบมาเหมือนกันหมดนะโยมคนเราจบมาเนี่ยปริญญาตรีด็อกเตอร์โทเอกเหมือนกันหมดเลยแต่อะไรคือความแตกต่างศีลธรรมมันจะเป็นตัวชี้ความแตกต่างอากัปริยามารยาทความมีวินยัยท่วงทีวาจามันเป็นตัวบอกความแตกต่างนะ ความใจเย็นการคิดการพิจารณาสิ่งเหล่านี้จะเกิดได้อย่างไรโยมทำสมาธิเยอะๆจิตโยมจะมันจะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาผู้เจ้าบอกว่าอากุศลสามอย่างเนี่ยการปฏิบัติเวียดเบียนมันเป็นเหตุให้ปัญญาสามถ้าโยมต้องการมีปัญญาดียมนั่งสมาธิอกุศลหมดไปปัญญาจะงอกงามขึ้นมาเรื่อยๆเราจะตัดสินใจอะไรได้ดีได้รวดเร็วนะและถูกต้องด้วยนะ เ อ, อ่อทำบุญอย่างไรฉันน่าจะได้สวยเหมือนเดิม อ, อ้อันนี้คงเป็นที่น่าสนใจนะจริงๆผู้เจ้าจมีบอกเขตปัจจัยไีมมีพระสูตรที่ผู้เจ้าสอนเรื่องนี้โดยตรงผู้เจ้าสอนหมดเลยนะอยากสวยใช่ไหมนะอยากรวยอยากเก่งนะ เนี่ยนางมาริกาเทวีเนี่ยนะเขาไปถามว่าเออเขาจะสวยรวยเยก่งยังไงเนี่ยนะอ่าผู้เจ้าบอกหมดนะไม่ไม่โกรธขึงไม่ขึงเครียดไม่กล่าววาจาชั่วยาบนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ศีลโยมศีล น, นะศีลต้องดีนะ ถ้าศินเราไม่ดีนะเช่นว่าโยมสินไม่ดีสินห้าไม่ดีแต่โยมทําทานมากนะผท้เจ้าบอกเธอจะได้ไปเกิดเป็นเดลฉานแต่ได้ทรัพย์ของเดลฉานมันแยกกันนะโยมทำเดีอนนี้ก็ได้ผลทําไม่ดี น, นี้ก็ได้ผลนะโยมไปเกิดเป็นสุนักบ้านคนรวยอย่างเงี้ยมีกินมีใช้สบายนอนห้องแอร์มีมุ้งนะเจ็บป่วยก็มีคนพาไปคุ้มไหมล่ะไม่เอาด้วยคนนะ่ะชาตินึงก็ไม่เอาใช่ไหม ขอเป็นคนดีกว่านะเนี่ยมันแยกบุญแยกบาปกันอย่างนี้เยอะนะ <c oughs> นมีมอ่าเนี่ยไปดูซิเหตุปัจจัยอะไรนะอ่านางมณิกาเทวีก็เข้าไปอะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยให้มาตุคามมาตุคามไปว่าผู้หญิงบางคนในโลกนี้มีผิวพันณามรูปชั่วไม่น่าดูยากจนขัดสนทรัพสมบัติต่ำสัตอ่า ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยให้มาตุคามบางคนในโลกนี้มีผิวพันณามรูปชั่วไม่น่าดูนะแต่เป็นนะแต่เป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากพวกทรัพย์มากสูงสักเนี่ยเขาถามทุกรูปแบบเลยแล้วพูะเจ้าตอบอยังไงสรุปไปเลยนะพระเจ้ <c oughs> าก็อตอบว่า ามาตุคามบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธมากไปด้วยความแค้นใจถูกว่าแม้เล็กน้อยก็ขัดเคืองฉุนเฉียวกับฟัดกระเฟียดกระด่างกระเดืองแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นผู้ไม่ให้ทานคือข้าวน้ำยอดยานระเบียบของหอมเครื่องลู ป, ปลายที่นอนที่อยู่อาศัยประทีบโคมไฟแก่สมณนะหรือพราหม์และเป็นผู้มีใจลิษยาในลาบสักระความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของผู้อื่น เกยดการตัดรอนความผูกลิษาถ้ามาทุงครามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีผิวพันสามรูปชั่วไม่น่าดูทั้งเป็นคนยากจนขัดสนทรัพย์สมบัติและต่ำสัตว์นี่แล้วผู้เจ้าก็บอกเปรียบเทียบทุกอย่างพลิกกลับไปกลับมานะสวยแต่ไม่รวยนะไม่สวยแต่รวยนะมีหมดนะพระสูตรนี้ยาวเหมือนกัน บอกไว้เสร็จนะเพราะนั้นเดี๋ยวไปสแกนดูในแผ่นนี้ได้เดี๋ยวจะแจกคงเป็นที่พอใจของเราสตรีน ะ, ะหรือว่าโยมอยากอยู่ด้วยกันนานๆไหมละ่ะเป็นคู่เนี่ยสามีภรรยาโดยไม่แตกแยกทั้งพบนี้และพพหน้าผู้หญ้งบอกให้ทำสี่อย่างเสมอกันหนึ่งศรัทธาเสมอกันนะไม่ใช่ สามีไปดูหมอดูเลิกดูยามภรรยาไปนั่งสมาธิไปคนละภพละนะสองศีลเสมอกันนะสามีศีลดีดีนะภรรยาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปคนลภพอีกเหมือนกันสามจาระเสมอกันสี่ปัญญาเสมอกันถ้าเธอทำสอย่างนี้เสมอกันเธอจะได้อยู่ด้วยกันทั้งภพนี้และภพหน้าได้อยู่กันไปตลอด แต่ถ้าเบื่อแล้วก็อย่าทำสี่อย่างให้เหมือนกันไม่เจอกันแน่นอนนะอ่านี่ได้สองนัยยะเลยเห็นไหมอ่ะนะคงได้คำตอบอันนี้ไปแล้วในรูปที่อบรมของพระอาจารย์ใช้บาสเตนเลตบาสเตนเลตผิดไหมนะอ่า มีพระกลุ่มธรรมยุทธ์เหมือนกันบอกว่าบาดสเตนเลตผิดวินยัยผู้เจ้าอนุญาตอะไรผู้เจ้าอนุญาตบาดเหล็กกับบาดดินสองอย่างเหล็กกับดินนะเอาดินมาปัาน้นแล้วก็เผาเหล็กก็เอามาเผาให้เหล็กแข็งการสนิมและกันอาหารขา้าวอาหารเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อเหล็ก <c oughs> สเตนเลตคืออะไรโยมอาตอมาไปถามนักโลหะวิทยาแล้วสเตนเลต ก, ก็คือเหล็กเหล็ก เกกว่าเปอร์เซ็นต์ผสมนิกเกิลโครเมียมเข้าไปนิดเดียวเท่านั้นแหละคำว่าสแตนเลสคือเหล็กไม่เปื้อนเหล็กที่ไม่มีสนิมเหล็กไม่เปื้อนเยอะนี่สแตนเลสน่ยนะนะมันไม่ใช่ชื่อโลหะอีกอันหนึ่งมันมันคือเหล็กนั่นเองที่ผสมธาตุอีก2อสมตัวเข้าไปแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรน ะ, ะยังเหมือนเดิมเป็นเหล็กเหมือนกันบาทเหล็กนะ การสวดอภิธรรมศกทําไมใช้พระสี่รูป <c oughs> สวดอภิธรรมยังไม่มีด้วยซ้ำ ม, มาโยมไม่มีการสวด อ, อภิธรรมไรคําว่าอภิธรรมเนี่ยโยมเข้าใจผิดกันทั่วประเทศเหมือนกันคําว่าอภิธรรมคํานี้นะกว่าจะเจอได้เนี่ยพระภัยบูลณ์เป็นคนไปเจอที่วัดป่าดอนหายโศกอยู่ทีมเดียวกับเราในการศึกษาพุทธวจนะเราก็มีทีมพลาดที่ช่วยกันค้นคว้านะ อภิธรรมที่ศึกษาอยู่ทุกวันนี้เป็นคําที่แต่งขึ้นใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะแต่อภิธรรมในความหมายของพระศาสดาคืออะไรเข้าไปสแกนคําว่าอภิธรรมดูเนี่ยจะเจออภิธรรมที่เป็นคําที่แต่งขึ้นใหม่เป็นร้อยๆ้ระสูตรเอาออกไปที่เหลือเป็นคําพระศาสดามีแค่สิบกว่าพระสูตรในสิบกว่าพสูนย์นี้ผู้เจ้าจะพูดอภิธรรมอภิิานายคู่กันมาตลอดเลยมีพระสูตรเดียวที่พูดอภิธรรมอย่างเดียว แล้วมีนัยยะสำคัญอะไรก่อนพูดอภิธรรมอันนี้พูดหมวดธรรมขึ้นมาหมวดหนึ่งคือโพธิปัจิยธรรม37สเดสติปทานสี่สมะปติปทานสี่ิบาทสีสมะปติปทาน4อินสี่ห้าพัลละหโพชฌงเจ็เรียมักมีองค์นะนี่คืออภิธรรมที่ถูกต้องคือธรรมะชั้นลึกที่เป็นโลกุตละว่าเฉพาะเรื่องสุญญาตาคนละเรื่องกับที่สอนทุกวันนี้ เจตสิกชาวนะจิตอะไรต่ออะไรนี่เจตสิกห้ิบดวง8ปดสิบดวงแต่งขึ้นทั้งนั้นเลยโยมเจตสิกพระศาสดาไปสแกนมาแล้วโดยบาลีเจอ9าคำนะไม่ใช่ห้าสิคำ8ปดิบคำอย่างที่เขานั่งท่องกันเรียนอภิธรรมนี่เจ็ดปีสิบปีนั่งท่อง9้าคำก็จบแล้ววันเดียวก็ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยเราไปนั่งศึกษาอะไรที่คนแต่งขึ้นใหม่ไม่ใช่คาพระศาสดานะอืม มีเจตสิกให้เขาดูไหมนี่เจตสิกเก้าคำ <c oughs> เจตสิกถ้าในภาษาไทยจะเจอแค่สามคำถ้าโยมสแกนในภาษาไทยจะเจอเจตสิกกัมปิเจตสิกกันจ่าเจตเจตสิกกังสามคำแค่นี้สองพัสูตรสามคำแต่ถ้าสแกนในบาลีจะเจอเก้าคำนี่พระโต้เป็นคนเจอนะเก้าคำนะหมดแล้วไม่ต้องไปนั่งจำห้าสิบคำแปดสิบดวงอะไรนี่ไม่ต้องน่ะ ลองไปดูในตารางตารางอันเนี้ยที่เราเช็คมาเนี่ยสารพัดเลยนะตั้งแต่อืมตั้งแต่ศินของพระเนี่ยนะศินสองสองเจ็ดสิกขาบทสองสองเจ็ดไม่มีมีสิกขาบทร้อยหสิบและสินพระทั้งหมดอย่าจำผิดนะสองพันกว่าข้อโยมและต้องรักษาทั้งหมดสองพันกว่าข้อแต่เอามาสวดแค่ร้อยหสิบคนมักจะพูดผิดว่าอาตมาไปพูดว่าสินมีพระแค่ร้อยพระมีสินแค่ร้อยห้าสิบไม่ใช่ พระมีศินสองพันกว่าข้อแต่เอามาสวดแค่ร้อยหสิบไม่ต้องสวดทั้งสองพันกว่าข้อมันเยอะไปร้อยห้าสิบนี้ก็สวดชั่วโมงแล้วกว่าจะมาจะจําได้ร้อยห้าสิบเนี่ยปีหนึ่งจำภาษาบาลีได้แล้วต้องจําภาษาไทยเพราะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนั่งจําภาษาไทยอีกปีหนึ่งนะแค่นี้ก็ตายแล้วถ้านั่งจำสองพันข้อตกใสสิบปีจะได้หรือว่าเด็กนะอ่า ตรวจน้ําไม่มี8ป0 0 0ื่นสพระธรรมขันเคยได้ยินไหมสแกนแล้วไม่มีผู้เจ้าไม่เคยตรัสนะห0าพันปียุศาสนาไม่ใช่ไม่เคยพูดศา ส, สนาอาจจะเลย 5,000 ันปีก็ได้นะอัตถกถาหมดเลยแต่งขึ้นรูปประชานละูปประชานเคยได้ยินไหมผู้เจ้าไม่เคยพูดผู้เจ้าพูดคําว่ารูก ป, ประสัญญากับอัูร ป, ประสัญญาเจตสิกนะสอนกัน80ดสิวงร้อยดวงผู้เจ้าพูดแค่9คํา ทานิกาอุปจารละปะนาไม่เคยตัดทั้งชีวิตตรวจสอบความเป็นพระโสดาบันใช้โสรดยานยานส6บไม่เคยพูดพูดนี่4ี่สิกว่าไัยะคือตัวนี้รวบรวมมาให้แล้วโสดาบันอยู่นี่นวิปัสสนากรรมฐานใช้กันเต็มเลยไม่ได้เกี่ยวเลยพู้เจ้าสอนสมถะกับวิปัสสนาไม่มีคำว่ากรรมฐาน กรรมฐานมีในพุทธพจนะแต่แปลว่าฐานะแห่งการงานไม่ได้เกี่ยวกับการภาวนาไปคนละเรื่องเห็นนะมตัดคำพู้เจ้าไปคือสมถะเหลือแต่วิปัสนาแล้วไปเติมคำใหม่คือกรรมฐานนี่มันป่าปนกันสับสนมั่วกันอย่างนี้น ะ, ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะ <c oughs> เพราะนั้นส่วนอภิธรรมศพอะไรเนี่ยไม่มีเอยเอะอ โยมจึงเห็นว่าพระศิววัดก็สวดไม่เหมือนกันเพราะผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติเอาไว้นะเวลาคนมาประชุมกันเนี่ยผู้เจ้าให้ทำอย่างไรหนึ่งนั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าคือทำสมาธิไปสองกล่าวธรรมหรือเชื่อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวเพราะนั้นพระจะเกี่ยวข้องในเรื่องงานศพเนี่ยถ้าคนมารวมกันมากๆเนี่ยโยมนิมนต์ให้พระไปแสดงธรรมจบแล้วแค่นั้นเองจะได้ประโยชน์นะ อ, อย่างอื่นไม่ต้องมี แล้วพานั่งสมาธิอุทิศบุญกุศลให้ผู้ตายผู้ล่วงลับเพราะพระุทธเจ้าสอนการอุทิศบุญไว้ในเรื่องของทิฏหกที่ <c oughs> ที่ให้บุตรเนี่ยทําต่อบิดามารดานะเมื่อท่านทํากาละล่วงลับไปแล้วนะนี่ในเรื่องของทิฏหกเห็นไหมเมื่อท่านทํากาละล่วงลับไปแล้วเราจะกระทําทักษิณาอุทิศท่าน <c oughs> นะ และตัดไว้ในเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์ของคารวาสในข้อที่สนะที่ทำบุญอุทิศให้ผู้ตายนะการอุทิศทำอย่างไรผู้เจ้าตัดกราวาเสรษจถากยมจะแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลโยมต้องเตรียมจิตไม่ใช่ไปเตรียมน้ําเตรียมแก้วกวดน้ําไม่ต้องไม่เกี่ยวยมเตรียมจิตตัวเองให้ปราศจากนิวร น, นะคืออกุศลสามอย่างนะ เมื่อจิตปราศจากอกุศลแล้วผู้เจ้าบอกว่าเศรษฐะเมื่อนั้นเธอทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งามสแผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่างเบื้องขวางเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสีทิศโดยไม่ยากฉันใดเมตตาเจโตวิมุตตก็เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เห็นไมอธิบายวิธีไว้หมดเราไม่เอามาใช้เอง บทกวดน้ำบทแผ่เมตตาอะไรที่ใช้อยู่ทุกวันนี้แต่งขึ้นหมดเลยโยมโยมกลับไปใช้บทที่ตัดกับวาเสถฐาสินะอาตมาก็ทำไว้ให้แล้วในหนังสือสาธยายธรรมเล่มนี้นะหนังสือทั้งหมดที่อาตมาทำมีในซีดีแผ่นนี้แล้วโยมหาข้อมูลได้นะอ่าคำถามสุดท้ายในมือตอนนี้ตายแล้วไปไหนจะไปไหนดีอะ ไปลองตายดูสักรอบไหมวัชชะถามผู้เจ้าว่าเมื่อบุคคลกลายแต่ทำลายแล้วเนี่ยยังไม่ได้กลายใหม่เนี่ยอะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่ผู้เจ้าบอกตันหาความอยากตัวความอยากของโยมเนี่ยนำพาไปรู้อารมณ์ใดโยมจะได้อัตภาพไปตามอารมณ์นั้นซึ่งตามกวสโรบาลเนี่ยไม่มีความแน่นอนเลยขึ้นได้ลงได้นะ่ะ แต่ถ้าโสดาบันแล้วจะปิดประตูอบายจะเกิดได้ตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปเท่านั้นนะ <c oughs> พระภิกษุทาจีวรเป็นห่วงจีวรแค่เป็นห่วงนิดเดียวไปเกิดเป็นตัวเลนตัวลาในจีวรเลยนะอารมณ์สุดท้ายยมได้อารมณ์อะไร <c oughs> อัตภาพจะได้ไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีนะก็วัดดวงกันไป เพราะนั้นอกุศลเกิดมาแล้วผู้เจ้าจึงรีบให้รีบทิ้งให้ไหวที่สุดเพราะไม่งั้นถ้าเราตายไปขณะนั้นปุ๊บเราได้อัตภาพตรงนั้นทันทีเลยการปรากฏขึ้นของความรู้สึกของเราเนี่ยคือการปรากฏขึ้นแห่งวิญญาณขันผู้เจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอคิดถึงสิ่งใดอยู่ดั่ริ ถ, ถึงสิ่งใดอยู่มีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณ เมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะได้แล้วการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมีคือนามรูปย่อมปรากฏขึ้นเมื่อการก้าวลงแห่งแห่งนามรูปมีพบชาติชรามนะั้ก็มีต่อไปแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้เจ้าจึงให้หยุดคิดไงเวลาทําสมาธิโยมต้องหยุดคิดรู้สึกแค่ลมที่ไหลเข้าไหลออกเฉยๆอย่าไปคิดอะไรเห็นไหมว่าทําไมผู้เจ้าไม่สอนคําบริกรรมเพราะว่าสอนคําบริกรรมยังมีการคิดอยู่ โยมจะไม่รู้จักผู้รู้โยมจะรู้จักแต่ผู้คิดคิดอย่างเดียวคิดเราคิดมาเป็นแสนแสนนั้นล้านชาติผู้เจ้าให้หยุดคิดรู้สึกลมที่ไหลเข้าไหลออกช่วๆทำไปเรื่อยๆต่อไปโยมก็จะชินคุ้นเคยนะต้องฝึกเรื่องพวกนี้ต้องฝึก <c oughs> แต่แล้วเกิดทันทีหรือไม่เกิดเลยนะเหมือนเรานั่งสมาธิเนี่ยรู้ลมหายใจเนี่ยจิตเกิดตลอดมเกิดตลอดเลยแวบไปคิดนั่นแวบไปคิ ด, นนคดนนเนี่ยเกิด การเกิดแต่กายยังไม่ตายเท่านั้นมันเลยกลับมาใหม่แต่ถ้ามันไปเกิดพัวมีคนยิงโยมโป้งตายเนี่ยโยมได้แต่ภาพตรงนี้ทันทีเลยเนี่ยทุกความขณะของความคิดคือการเกิดการปรากฏขึ้นของวิญญาณคือทุกขณะของความคิดเกิดเกิดโยมจะเห็นว่าจิตเกิดตายโอ้โหเป็นแสนเป็นล้านครั้งเยอะมากนะพระเจ้าจึงบัญญัติว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืน และปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมไม่มีทางรู้เลยว่าจิตเกิดดับไปตลอดเลยเพราะมันเร็วมากนะมันเกิดดับเร็วจนโยมไม่รู้สึกว่ามันเกิดดับอะเราคิดว่าจิตเนี่ยต่อเนื่องกันตลอดเลยขนาดพิสูจน์ในครม้งผู้จัดการยังบอกว่าวิญญาณเนี่ยเป็นผู้เวียนไหวใจเกิดวิญญาณไม่เกิดดับกูเจ้าเรียกสาติใครสอนเธอนะเราสอนเธอที่ไหนเมื่อไหร่สาติต่อไม่ได้สั่งประชุมสง์บอกว่า ใครเคยได้ยินตถาคตสอนว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีพระตอบเลยตถาคตกล่าวว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสุปันธรรมโดยปริยายเป็นอันมากไม่ใช่หรือจิตเกิดดับวิญญาณเกิดดับอยู่ตลอดเวลาผู้เจ้าสอนอย่างนี้เห็นนะส่วนกับความคิดเรามาว่าเราคิดว่าวิญญาณน่ยมันเวียนว่ายตายเกิดนะแต่จริงๆวิญญาณเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดขณะเรามมีชีวิตอยู่เนี่ยวิญญาณก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับทุกขณะแห่งความรู้นะแต่เพราะว่าผู้หลงผู้มีอวิชชาเนี่ย ไปคว้าวิญญาณดวงใหม่ยึดวิญญาณว่าเป็นเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผู้ที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏจริงๆก็คือตัววิบุตนี่แหละที่มีอวิชาที่ยังไม่มีวิชาก็เลยไปยึดกับขันท่าแล้วเกิดตายไปกับขันท่าไปตลอดการเลยเนี่ยปัญหาคืออย่างนี้แต่ถ้าเรามีวิชาแล้วเราก็กลับเข้ามาสู่วิบูตซึ่งทุกคนมีวิมุตอยู่ในตัวหมดเพียงแต่ทุกคนเนี่ยกลับเข้าไปหามันไม่ได้เพราะดันไปพอใจขันท่า พอใจว่ารูปกายเป็นเราสุขทุกข์เป็นเราความจําเป็นเราความคิดเป็นเราวิญญาณเป็นเราโยมแก้ปัญหาตรงนี้ได้พัวเนี่ยโยมเข้าวิมุติได้ ท, ทันทีแค่นั้นเองหลักการแค่นี้ระบบใหญ่ใเนี่ยมันมีวิมุติกับสมมุติมันเป็นความมีของทั้งสองระบบระบบสมมุดเนี่ยมีหธรรมชาติขันห้ารูปเบตนาสัญญาสังขารวิญญาณและระบบนี้มีเกิดและมีดับเกิดเสื่อมดับแต่ระบบนี้ ไม่มีเกิดไม่มีเสื่อมไม่มีดับณอุปาโทปัญ ญ, ญาจติเกิดไม่ปรากฏณวโยปัญญาจติเสื่อมไม่ปรกากฏณติฏสานยตตังปัญญาจติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่งปรากฏเป็นความมีที่คุณสมบัติไม่เหมือนกับความมีของฝั่งนี้ความมีของฝั่งนี้เกิดไม่มีความมีของฝั่งนี้เกิดตายนะเพราะฉะนั้นเรามีอวิชชามา ย, ยึดฝั่งนี้ฝั่งสมมติสังสารวัฏพรหมโลกเทวโลกมนุษยโลกนรกํามเนยเดชานเปวิสัย วนเกิดบนตายกันอยู่ในนี้โชคดีก็ไปเกิดดีโชคไม่ดีก็มาเกิดไม่ดีนะผู้เจ้าให้ทิ้งตรงนี้และกลับมาหาตรงนี้ซึ่งพวกเรามีกันทุกคนแค่ละอวิชชาให้ได้และหนทางที่จะกลับมาสู่ตรงนี้ได้คือมัสมีองศาวิธีเดียวเท่านั้นวิธีอื่นไม่มีพูดโดยย่อก็คือศีลสมาธิปัญญาแค่นั้นนะ <c oughs> ตายแล้วไม่กลับมาเกิดได้ไหมได้ถ้าโยม ละอวิชาได้นะนรกมีในชาติศาสนานในนรกมีชาติศาสนาหรือไม่หาไม่ได้แล้วนะในนรกไม่มีคำสอนเพราะผู้สัตสัตว์โลกที่ต่ำกว่ามนุษย์เนี่ยรู้ธรรมะไม่ได้นะเป็นสัตว์ที่อาภัพนะธรรมะนี้สำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไป ธรรมะนี้เป็นประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดารู้ทำได้ปฏิบัติได้มนุษย์รู้ทำปฏิบัติทำได้นะ <c oughs> คนนับถือศาสนาอื่นที่ทำบาปจะตกนรกเดียวกันหรือไม่พระเจ้าเนี่ยเข้าไปค้นพบสัจจความจริงเพราะฉะนั้นจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามมันเจอความจริงตรงนี้เหมือนกันหมดศา ส, สนาคริสต์อิสลามพุทธฮินดูซิกเซนอะไรก็ตามมีความโลภโกรธหลงไหมี มีผัสสะมีเวทนาตันหาประทานไหมมีสายปฏิจจสุบานเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าอธิบายคุณเป็นมนุษย์ไหมล่ะถ้าคุณเป็นมนุษย์คุณจะมีอาการอย่างนี้เวลาโยมไปคุยต่างศาสนานะโยมต้องคุยเรื่องปฏิจจสุบานจะไม่มีศาสนาไหนปฏิเสธโยมได้เพราะมันคือสัจจความจริงโยมไปเดินห้างเนี่ยนะโยมเดินห้างเคยเดินกันทุกคนใช่ไหมเคยซื้อเสื้อใช่ไหมอ่า เสื้อในห้างมีต้องหลายร้อยตัวไม่หยิบทําไมไปหยิบเสื้อตัวนี้เพราะอะไรทําไมโยมมีความอยากไปหยิบเสื้อตัวนี้ตอบได้ไหมเพราะอะไรโยมอยากหยิบเสื้อตัวนั้นชอบใช่ไหมอ่าแสดงว่าความชอบต้องมาก่อนความอยากจึงตามมาจริงไหมโยมพูดตรงกับผู้เจ้าเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วเห็นนะอ่าเพราะ น, นั้นผู้เจ้าเนี่ยเห็นสัจจความจริงชอบต้องมาก่อนอยากจึงตามมา ในสายปฏิจจสมุบาทิผู้เจ้าบอกว่าเวทนาเป็นเหนตุให้เกิดตัณหาฮะพอใจต้องมาก่อนความอยากจริงตามมาแล้วก่อนเกิดความชอบเกิดอะไรเกิดอะไรเกิดก่อนนึกออกไหมโยมต้องมีตาไปเห็นเสื้อจริงไหมอ่าเดินหลับตาซื้อเสื้อไม่ได้นะอ่าเพราะฉะนั้นผัสสะมาก่อนผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานเสื้อฉันแต่ก่อนเสื้อห้างอ่าเสื้อห้างหายโยมไม่ทุกเสื้อโยมหายโยมทุก เห็นไหง่ายๆแค่นี้โยมเพราะฉะนั้นคนคริสมีไหมอิสลามมีไหมมีหมดอ่ะคริสเดินช้อปปิ้งไหมเดินอิสลามเดินช้อปปิ้งไหมเดิน น, นี่คือสัจจคความจริงที่ผู้เจ้าเข้าเข้าไปค้นพบมนุษย์ไหมล่ะเทวดาไหมล่ะระบบชีวิตไหมจะมีอาการนี้เหมือนกันหมดเลยและโยมคิดดูว่าอาการจิตอันนี้ผู้เจ้าพูดมา2อ0 0ักว่าปีผ่านมา 2,000 กว่าปีโยมก็ยังมีอาการจิตอย่างนี้อาการลิโกไหม อาการิโกไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเทคโนโลยีจะพัฒนาขนาดไหนก็ตามจิตมนุษย์เหมือนเดิมนะและธรรมะตรงนี้เรียกอย่างว่าเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนได้อัตมาถามโยมเพราะว่าอัตมารู้ว่าโยโอมตรวจสอบด้วยตนเองได้และเรียกว่าเป็นสิกขีภูโตเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามตามกันมาเอาโสมมาขึ้นจอบาลีสามรัฐเอ้ยจำผิดลอกมาผิดไม่แน่นอนหรอกตรวจได้เห็นนะ เดินห้างก็ตรวจได้อย่างนี้นั้นธรรมะพระาศาสดาเนี่ยเราเอามาตรวจละโยมจะเริ่มมีศรัทธาในพระาศาสดามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเฮ้ยผู้เจ้าพูดจริงพูดเรื่องจริงหมดเลยนะเนี่ยแหละเรียกว่าศรัทธาอันเริ่มอย่างลงมั่นไม่หวัน่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านะจะเริ่มเกิดขึ้นนะโยมก็เริ่มเป็นอะไรโสดาบันแล้วนะผู้เจ้าจึงบัญญัติอีกอันหนึ่งว่าใครเห็นปฏิจจสุบา หรือเรียกว่าอริยะญายธรรมคนนั้นคือโสดาบันบุคคลเห็นนะเห็นอาการจิตตัวเองนี่แหละไม่ต้องเห็นของใครอ่าก็มีเพิ่มเติมไหมคงหมดแล้วเนาะคงจะได้ความรู้กันไปพอสมควรเนาะอ่าครับต้องกลับเรียนธรรมทานในวิธีนะครับ เครื่องไทยธรรมแกพระคุณเจ้าเรียนเชิญประทานครับผม ฝากไป่วนกลางให้ไปอ่านศึกษากันดีมะนะอ่าไม่น่มเป็นพุทธวจนะทั้งหมดนะแล้วก็อาตมาเตรียมซีดีกับหนังสือมาเดี๋ยวก็จะสะดวกรับกันยังไงนะจะรับเลยไหมหรือว่ามีตัวแทนมารับก็ได้น ะ, นะแต่นะครับมีรายชื่ออยู่ครับพระคุณเจ้าครับ เพราะว่าส่วนราชการต่างๆได้ส่งรายชื่อข้าราชการที่มาร่วมปฏิบัติธรรมในวันนี้นะครับและวันนี้มีข้าราชการตํารวจจากสอนอรพระราชวังมาร่วมด้วยครับอ่าฮะก็อ่าโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะที่ได้ตั้งใจนะฟังทำมาที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรง นะที่เรียกว่าพุทธวจนะก็ขอให้เหตุปัจจัยตรงนี้ชงน้อมนําให้พวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีปัญญามีความสามารถนะแทงตลอดในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตคิดฝังสิ่งใดขอให้สําเร็จสมความปรารถนาและที่สุดคอยได้ดวงตาเห็นธรรมสาเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคต ก, การัในใกล้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทนสาธุ